เจริญพรทุกท่านนะฮะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาตมาได้มีโอกาสมาร่วมต้องเรียกว่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ข้อคิดความเห็นกับทุกท่านซึ่งกําลังทํางานที่สําคัญมากแล้วก็เป็นงานซึ่งเรียกว่าท้าทายท้าทายความรู้สึกนึกคิด แล้วก็ท้าทายสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่คือเวลานี้เนี่ยโลงเต็ไมไปด้วยความรุนแรงมันไม่ใช่เฉพาะแค่สามัวแฉนภาคใตยและสิ่งที่ทุกท่านพยายามทำเนี่ยก็คือการพยายามที่จะนำสันติสุขกลับคืนมาซึ่งมันก็จะมีความหมายไม่เฉพาะกับท้องที่ท้องถิ่นแต่มีความหมายถึงประเทศแล้วก็มีความ สำคัญในระดับโลกด้วยมามาที่นี่ก็ประทับใจนะตื่นใจคําว่าโรงเรียนสันติภาพเนี่ยเพราะว่าอบรมหรือเข้าร่วมการสัมมนาหลายครั้งก็ยังไม่เคยเจอคํานีนะ้โรงเรียนสันตภาพเวลาพูดถึงคําว่าสันติภาพเนี่ยนะรดยเฉพาะเมื่อมีคำว่าโรงเรียนนําหน้าเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ดี โดยเพรมื่เราเพยายามที่จะเรียนในสิ่งที่สําคัญคือสันติภาพนะสมัยก่อนที่เขาไม่ใช้คําว่าโรงเรียนนะฮะเขาใช้คําว่าอะไรทราบฮะเขาใช้คำว่าลงสอนสมัยรัชกาลที่5้าเนี่ยใช้คำว่าโงสอนแต่ว่าสอนนี่มันไม่ดีเท่ากับเรียนนะเพราะสอนนี่ขึ้นอยู่กับครูแต่เรียนนี่ขึ้นอยู่กับผู้เรียนนะการศึกษาไม่ใช่แปลว่าการสอนทําการศึกาวิการเรียนรู้และ วันนี้เนี่ยธรรมาก็จะมาเรียนรู้กับทุกท่านด้วยไม่ใช่แค่จะมาบรรยายเฉยๆเพียงแต่ว่าอาจจะอาศัยสิ่งที่ที่ได้เรียนรู้มาเนี่ยมาพูดคุยกับพวกเราวันนี้เนี่ยจะมาพูดเรื่องจะมาแลกเปลี่ยนเรื่องสันติวิธีอีกครั้งหนึ่งนะเรื่องนี้เนี่ยเราก็อาจารย์ชัยวัฒก็คงจะได้มาเกิ้นนาแล้วก็พูดถึงในเรื่องนี้แล้วแต่ธรรมาคิดว่า เรื่องสันติวิธีเนี่ยก็คงต้องมีการคุยกันต่อไปจริงๆที่อาจามาอยากจะอยากจะพูดก็คือว่าสันติวิธีเนี่เป็นสิ่งที่คนเนี่มีความเข้าใจผิดเนี่ยมากนะความเข้าใจผิดอย่างแรกเลยนะก็คือความเข้าใจผิดว่าสันติวิธีเนี่ย คือสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับการใช้ความรุนแรงพวกเราเคยคิดแบบนี้ไหมฮะว่าสิ่งที่ตรงข้ามกับความรุนแรงเนี่ยคือสันติวิธีในความเป็นธรรมานนี่ไม่ใช่นะสิ่งที่ตรงข้ามกับความรุนแรงคือการยอมจำนนพวกเราชาวพุทธเนี่ยจะคุ้นคําว่าทางสุดตรงนะ ทางสุดตรง2ทางในเราเรียนปล่อยผูจ้จําเราก็จะพูดถึงว่าทางสุดตรง2ทางคือ1นึ่อะไรจได้ไหมการทรมานตน2การหมกมุ่นในกามสิ่งที่ตรงทางสุดตรงในการในการทํางานเนี่ยหรือในกา ร, รเผชิญเหตุนเนี่ยทางสุดตรงในการในกา ร, รเผชิญเหตุนเนี่ยมันมีอยู่2ตัว 1. ความรุนแรง 2. ยอมจำนนซึ่งอาตมาจอาจจะบรรยายเป็นภาพให้เห็นเป็นภาพอย่างนี้นะครับ 2ทางเรลาเราเฉลการนั้นหรุนแรงสอ ง, แบบ อ, งอมจำนนในค่อยขอ้ตมานีสันติวิชิคือทางสายกลางสันติวิชทางสายกลางคือทางสายกลางเนี่ยก็ต้องไปดูว่าไอ้รุนแรงเนี่ยนะมันตรงข้าวกันการยอมจำนนรุนแรงคือการพยายามแก้ปัญหาเราใช้คนรุนแรงเพือแก้ปัญหาถึงแล้ แต่ยอมจำนมเนี่ยคือถอยหนีไม่แก้ปัญหารุนแรงอาจะใช้ความกล้าแต่ยอมจำนเนี่ยกลัวถามว่าสติวิธีกล้าัหมสติที่กลัวสติวไม่กลัวสติวิธีก็กล้าเหมือนกันเพียงแต่ไม่ใช้ความแรงสติวิธีเป็นทางสายกลางนะฮะที่อยู่ทีู่ตึกรออะงระหว่าความรุนแรงและ ตอนจำลองแล้วทำมต้งง่ายๆนะมีคนอื่นเลยก็เป็นซอยเปรียวแล้วมีผู้ชายเนี่ยกลายก็เอาไปชิดและใช้มีนจีไม่ใช้มินจีกันแนตะอาจจะใช้เอาไว้จากอื่นกะันในสารตาเช่นนี้เนี่ย แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยหรือวิธีการที่จะตอบโต้หรื อ, ร เ, ชร อ, รอเชิญกับเหตุการณ์เห่านี้ทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างคนะเวลาเจอสถานการณ์ที่ถุกจี้ไม่ว่าผู้หญิงก็ได้ผู้ชายหรือตัวท่านก็ไนดะ้เวลาถุกจี้เนี่ยกปกติทำยังไงกันฮะอนิ่งให้เขาาไปหรือสอสู้ก็มีม ดนิ่งหรือแต่ที่สู้ก็มีใช่ไหมที่ตายเขาสู้ก็มีใช่ไหมสู้นี่คืออะไรสู้ด้วยอะไรลังด้วยอะไรด้วยกลังใช่มกำลังที่ถือพลังแต่ถ้าย้อนเเอาไปเนี่ยเราถอว่ายอมจำนนถามว่ามีทงเที่สามหรอ่ามีไมฮะเช่นอะไรฮะ้ไม่โดนดึงแรง รุนแรงใช่ไหมฮะตัดเลือดรุนแรงไหมไ่นแรงไรันแรงไมไม่รุนแรงผมว่าถ้าพูดเลยแล้วถ้าพูดเลยผู้หญิงพูดไม่ได้ต้องะต้องตาเดยวพายอมให้เลย ว่าคืแรงือไมนแคือรูแรเนี่ยมีหลายแบบดูแรงมีหลายแบบตั้งแต่ว่าใช้ปืนจิงหรือว่าใช้ระเบิดบอด้เลยใช้ปืนริงที่แรลองลงมาก็อชทตวตุ้ยทองตุ้ยทองลองลงมาก็อาจจะีใช่แต่สกี่ตรงน ตรงกลางเหไอไอคือตรงกลางมั้งอคนแล้วคนไหนนะแล้วก็ยิงด้วยระแหน่มายิงยิงถึงผมระแ่ไอระแหน่เขาตียังไงฮะยิงถึงผมไม่ระแห ถ้ามีคนทำกับพวกเราแบบนี้นี่พอใจงถ้ามีคนทําักับน้องกับลูกเราเนี่ยเราพอใจม้งทียผลกับที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเรางนีเราเรามาตรงนี้ก่อนว่ากรยตอบสนองเนี่ยเพูดกฎหมายเราพูดเรื่องว่ารุนแรงกับไม่แรงหรือยอมจำนนดูง่ายๆเนี่ยรุนแรงเนี่ยคือว่ามันทากับเราเราชอบนะถึงบิด ก็จะถูน้ำลายใส่หน้าหรือด่างคือตรงง่ายๆคือว่ามันทำกับเราถ้าส wow, ิ่งนห้เก evet> ิดกับเราเราพอใจหรือเปล่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาบอกว่าเราไม่ใช่คนแรงเพราะว่าสิ่งลนั้นเนี่ยมันไม่ถูกมันไม่ดีเพราะว่ามันแรงเพียงแต่ว่าความแรงมันมีมันมีนมีมันมีความอ่อนและความเบาแตกต่างกันไปเพื่อสเกลสเกลนะฮะแล้วก็ตึ๊บเดือน100 เสาศูนศาเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่ อ, อนคราวนี้นะสันติวิธีเนี่ยเวลาถุงจีเนี่ยมันมีอาจจมยุติอย่างตัวเยอะเลยเป็นเรื่องจริงยกติอย่างเช่นมีพีแก้คนนึ่งซื้อของสอ ง, สองส ถ, อถือไปปซื้อของมาือถุงเนี่ยอ ง, องถุงเนี่ยก็ไปซอยเปลี่ยวเจอแบบว่ามีผู้ชาย2คนเนี่ยงเข้ามาไปิตัว ตรงนั้นเป็นอยปีย่คุณยายคนนี้เนี่ยตะโนร้องอความช่วเหลือก็ไม่ได้การตะกนจเ็นสันตวิธีนะไฟไม้ไฟ ไ, มไหมนคนมช่วยอันนี้คือสติวิธีอาอยู่ตรงแนี้หลอวิ่งหนีอาจจะอยู่สถวนี้คือมันมีมันมีสเมันนะแต่คุณคุณยาย ทำไม่ได้ตะโกนไม่ได้วิ่งหนีไม่ได้สู้ก็ไม่ได้ทําไงฮะแกก็รอให้คนนั้มาประชิดตัวสองคนนะเสร็จแล้วแกก็หหลังหันหน้าไปหาสองคนนั้นแล้วก็บอกว่าโอ้ฉันกําลังแย่อยู่พอดีเลยของหนักเยอเกินกำลังต้องการหาคนช่วยคนช่วยยึดถือควายฉันหน่อยยุแล้วก็ยกยกถุงแหงไอ้นั่นไม่ได้ทั้งตั้งตัว ก็รับไปรับไปแลก็ไกลายเป็นเวลากระกแล้วกลายเป็นพระเอกแบบจำเป็นแต่ที่จะมาจี้เนี่ยบมกว่าเจอคุายคุณยาชมอ่กผมท้ออยีดีเหลือเกินแล้วมาช่วยฉันแล้วก็ารช่วยคุณยายอกว่าเดินพาขนของให้บุญยาไปส่งที่ตืนไ ก, ก, ก็ใช่อันนี้เนี่ยคืออันนี้คือทางสายกลางไหระหว่างรุนแรงกับยอมจงงนนมีคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นผู้ชายถุกจี้เวลาพูดถึงการถุกจี้เนี่ยพว ก, กเร า, า, าพวกเรามจะคิดแค่สองทางคือยอมจำนนกับรุนแรงคืออย่าพูดถึงเรื่องภาคใต้เอาแค่ถุกจี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าวม็นตัดมิจฉิสไม่ได้หรอกมันต้องรุนแรงแล้วก็อยอมน แต่ในชีวิตจริงนกระทรวงารคลงเมือนมาเนี่ยมันแก้ได้ด้วยสติวิธีพรณีผู้หญยา ย, ยีา่มีเยอะมีคนหนึ่งเป็นผู้ชายก็ เ, เดินไปในซอยเกิดที่สองคนแล้วนก็อเอาเินไปนะแต่ว่าคนที่แกแกระลายก็ให้เอาเงิน่อไปเสร็จแล้วแกก็ถามว่าพี่คงไม่ใช่คนทนี่มั้งโจมก็ถามว่าใช่เงเินอะไ ผมตั th thi ên thi ên p, ้งน th ั th th é, <À. S 1> ่เส like, like, like, like. kh th ียงพี่เนี่ยรู้สึกว่ามครักันแก็เออใช่ตนีสุิว่าผมก็ักเนกก็เลยคุยกันคุยกันสักพักเนี่ยคนเรกันอนึตอนนีเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็แกกันในที่เป็นนมันก็บอกว่าอนที่แยกับอกเฮ้ยคืนเอ คนทำที่ขณะที่ยืนอยู่บนทางถนนเกาะกางถนนหน้าเรา่อหนนะแกไปไ้ถึงเป็นก ํานนแต่ว่าไม่ได้ใช้ความรุนแรงแต่ว่าใช้ปัญญาใช้ใจใช้ปฏิภาณแล้วก็ใช้ความเป็นมิคงนะผใช้หลายอย่างแต่ว่านี่ตัว อ, อย่างว่าแม้กระทั่งในในสถานการณ์ที่เป็นหน้าสิงหน้าขวานซึ่งคนธรรมดาเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าถ้าไม่ถ้าไม่ยอมก็ต้องรุนแรงแต่ว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยสันติวิจัใช้ได้ผ ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยใช้ดิจิตอลฉะ น, นั้นจะมาพยายามอธิบาลนะสังเกวิธีให้มันคือคือทางสายกลางยึดอะไรอีกเรื่องนึงนะที่อ เ, เมริกาเนี่เมื่สักสามสิบสี่สิบปีก่อนเนี่ยเขามีกฎหมายว่าคนน้ำเนี่ยห้ามไปเดียวคนขาวห้ามใช้ห้องน้ำเดียวคนขาวห้ามนั่งในห้องเดียวกับคน ต่อมาเขากระลุนลงเรื่อยๆจนกระทัางมีกฎหมายให้คนดำเนี่ยไปเรียนในหน่วยชายเตอรเขาได้แต่ว่าก็จะถูกรูถูกหลังแกมีเพียงคนนึงชื่อคอรเรต้าแกเป็นคนแรกเป็นคนดำคนแรกเป็นผู้หญิงที่ไปเรียนในเมาเที่ยวไรและเวลาแกก็จถูกคนก็มองหรือโหดยเฉพาะเวลาไปนั่งในห้องเรียนห้องเรียนเขาเนี่ยก็ต้องเป็นเป็นเป็นแค่เป็นเป็นเป็นอัจรยนะ จัดจนะแกกไปนั่ข้างหน้าในห้องเนี่ยมีขาวนั้นรหวางที่ครูยังไม่มาสอนเนี่ยบว่าต้องจะมีคนโยนผลไม้เช่นเือเทศไปที่ปีคนนี้คือเรายเลนต้าติบ้างถูกบ้างโดนๆมะเขอเทศแดงแไอเาอท้องโกรท้งหายแแกก็ยอมนะ จะทำยังไงนะก็คนกขอ้องคุชายแล้วก็เป็นคนขาวแกก็แย่แกบอกแกอยากจะตัด่าเรองสึกความแย่มากแกอยากจะเลิกเรียนแล้ววันนึงแกตัต้งใจว่าแกจะไม่หยดแกทำไงมีคนโยนมาถูกว่าแกไม่รู้เป็นเป็นวัตเทนเป็นอะไรนะแต่ไม่ตัดทีเดียว ถ้าไปเรทาทำไรเลืนะ่อนกลับใช่ไหมเลยกับนี้เรียกว่าอะไรแงไหไม่รู้แรงนะแรงแต่ว่าอาจจะอาจจะอา่นี้ไม่ใช่เอาปืนยิงไม่ใช่เอาปีดแทงถ้าถ้มมมา ม, มีปืนมะีแทงระเบิดค้ามเมนตรงนี้เลย 100% เปร์็ว่าแกนจิงผลไมยนึ่นา เราก็เดินไปที่ผู้ชายคนนั้นที่ขวางแล้วก็มองไปข้างหน้ามาถามว่าที่ของคุณหรือเปล่าเสียงโ hoe ดังลั่นเลยไม่ใช่ไม่ใช่ hoe ใ, ใ ส, สายส่ผู้หิงนะ hoe ใส่ผู้ชายแต่หลังจกนั้นมันไม่มีการขวา้างเลยนี่นะคือทางสายกลางระหว่างการใช้ค น, นรุูแลขวา้างตักดา าพรอ แ, แม่หรือว่าการอยู่เฉยหรือแมก็หรือใช้ไมบางทีอาจาจะลาต่มาเชื่อเลยมันมีทางเลือกนะแล้วก็บางทีมันก็ได้ผลนี่คือสันวิธีนะะใช้แหลรใช้ขอากล้าใช่คนามใจถ้าก็อย่างใหม่พเราถ้าเพเราอาจจะเคยมหาหรื อ, รๆๆอยู่ในซอยอยแล้วก็มันมี พวกแหลูเน่ยอับรซิ่งที่เนี่ยจะไมีหน้าที่นอซิ่งอยู่ในซอยรงางก่ได้ัสก็าไม่ด้ังสมาิก็ัไม่ได้เลยิเลยทยังไงตอนนี้ยอมเหรอยอมกคนเสือก็ยอมใช่ี่ีก็ เจะึงเชือกหมหรือแม่ก็เอากระว้างขึงเชือกอางคำนี้ดูแลเหมือนกันเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วถึงเชือมันก็ามันโดนเชือก็เจ็บแะอาจจะถึงตายได้กะให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เลยขึงเชือหรือว่าสู้ยิงเลยกระหิงควาันวิธีคืออะไรทำยังไง บางวิทีอาจจะหมายถึงการเอาเอาไม้ม า, มาวางพาดบนนนที่เขาเรียกว่าอะไร<ม>เตรียมให้หมันช้ด้วยกวลูกละหน้าลูกละหน้าก็ได้ลูกละหน้าหรืออะไร จ, จ, จํารอหลังเ่ารทำลูกละหน้าก็ได้เนี่ยเอาลูกละหน้ามาวางเนี่ย เอาลูกลน้น้มาวางเนี่ยมันวิ้งมันมันวิ่งเร็วใช่อาลูกลน้ามาานมั ว, วาแบบนใสซอยสังวิธีลมสังวิธีทได้หลายแต่ทำได้แบบคุยเจรจารหรือว่าสร้างเงื่อนไขที่ทาให้มันวิ่งเร็วไม่ได้ไนะแล้วประมาณเจ็ดแอธิบายนะว่าสังเทวิธีเนี่ยมัน ม, มันมีความหมายที่ที่เป็นทางสายกลางตอนนี้เนี่ยจะมาเอกนิยางสันติวิธีนะฮะสันติวิธีเนี่นยท่านนิยังง่ายๆนะฮะมันก็คือการแก้ปัญหานะหรือก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะคือถ้าไม่แก้ไม่แก้ปัญหาก็ไม่ใชสันติวิธีนะฮะอันนี้โดยยอมจำนน แต่เป็นการแก้หรือก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยไม่ใช่ความรุนแรง 1. นงแก้ปัญหาหรือก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสองไม่ใช่ความรุนแรง 3. เพื่อให้เกิดสันติสุขนะถ้าทำให้เกิดความวุ่นวายก็ไม่ใช่สันติวิธีนะฮะแต่ว่าบางครั้งอาจจะวุ่นวายเพื่อนำไปสู่สันติสุขได้ก็มี หรือนี่นีแบบแบบนิ้ยามสั้นๆเลยนะฮะหรือจะยาวกันนี้หน่อยนะก็คือการกระทำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือสถานการณ์ไปในทางสันตินะต้องกระทำนะถ้าไม่กระทำนี่ก็ไม่ใช่นะโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินนะ หรือโดยไม่ใช้ความรุนแรงทางกายและวาจาอันนี้ก็เ ค, คร่งรัดขึ้นมาหน่อยนะ น, นี่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมข้มาหน่อยนะแต่ว่าสำหรับสหรับเอาแบบเข้าใจง่ายๆเนี่ยไอ้ข้อแรกนี้ก็คิดว่าน่าจะน่าจะใช้ได้นะคนี่ถามว่าสันติวิธีเนี่ยมันทำงานได้อย่างไรทำไมมันถึงได้ผลสันติวิธีมันจะมีน้ำยาได้ยังไง นะหลายคนก็บอกสันติวิธีไม่มีน้ำยาแต่คณิษถาว่าสันติวิธีมีน้ำยาได้อย่างไรนะอาจจะสรุปสองอย่างนะซึ่งเรื่องนี้นอาจารย์ชัยวัฒน์อาจจะพูดไว้บ้างเมื่อวานอันที่หนึ่งก็คือว่ามันเป็นการลดทอนอำนาจของคู่กรณี ด้วยการไม่เชื่อฟังหรือถอนการสนับสนุนนะหรือสร้างเงื่อนไขที่บันทอนสมรรถนะของคู่กรณีนะเดี๋ยวจะมาจะพูดะจะยกตัวอย่างจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะตอนนี้อาจจะดูดแบบสุดสั้นๆเลก่อนสันติวิจทำงานยังไงที่1คือ ม, มันลดทอนอำนํำนาจของคู่กรณีมันลดทอนสมรรถนะของคู่กรณีเช่น คนขับรถซิ่งเนี่ยมันขับรถซิ่งมากใช่ไหมฮะการที่เอาลูกและหน้ามาวางเนี่ยมันไอ้ลูกและน้าเนี่ยมันเป็นการลดทอนสมรรถนะของคู่กรณีคือวิ่งเร็วไม่ได้หรือว่าอำนาจอำนาจของอำนาจอำนาจของคนเนี่ยมันอยู่ที่อาจจะอยู่ที่คือเวลาเราพูดถึงอำนาจเนี่ยเรามาักหมายถึงการมีปืนมีอาวุธมีตำแหน่งมีหน้าที่แต่สันติวิธีบอกว่าทั้งหมดนี่ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีคนเชื่อฟัง ถ้าในพันไม่มีอำนาจถ้าระดับในพันระดับในร้อยระดับในสิบไม่เชื่อฟังผู้จัด ก, การไม่มีอำนาจถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟังอำนาจหมดถึงมีปืนก็ไม่มีอำนาจสัญญุธิคือการทาให้เขา คือการทำคือการปฏิเสธไม่เชื่อฟังเขาหรือทำให้คนเนี่ยไม่เชื่อฟังเขานะอันที่2เนี่ยสันติวิธีมีน้ำยาเพราะว่ามันสามารถจะชนะใจคู่กรณีหรือชนะใจประชาชนฝ่ายที่3ไดนะ้ฝ่ายที่3คือคนทั่วไปผู้สังเกตการณ์นะ อันนี้เดี๋ยวจะอธิบายรายลียนะฮะมีสองอย่างซึ่งอย่างแรกเนี่ยตมาเรียกไงยๆแบบพลังการเมืองสันติวิธีมีพลังในทางการเมืองการเมืองในที่นี้ม่ได้เป็นการเลือกตั้งนะฮะแต่หมายถึงมีพลังในการที่จะถอดถอนอำนาจของคู่กรณีนะเพราะสันติวิธีเชื่อาอานาจเนี่ยมันอยู่ที่ การยอมรับพวกเราอยู่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องรู้จักพระสมเด็จกรมพยาธิมนุษย์ไร้าพรู้จักไหมฮะสมเด็จกรมพยาธิมนุษย์ไร้าพัดสคัญมากสําคัญยังไงฮะท่านเป็นเสนาบดีคนแรกของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ท่านเป็นเป็นมือขวาของรัชกาลที่5ซึ่งสามาราที่จะเชื่อมสามารถที่จะประสาน เมืองไทยนะให้เป็นเอกภาพเกิดสิ่งที่เรียกว่าประเทศชาติประเทศไทยได้กรมพระอภิมณ์ชั้นสภาพในเมียนาดมากเป็นมือขวาของรัชกาลที่5้ารัชกาลที่5นี้ถือเป็นว่าถือเป็นรัชกาลอแรกที่มีกรารปกครองแบบสมบูรณา ญ, ญาสิทธิราชสมบูรณา ญ, ญาสิทธิราชเริ่มนต้นสมัยรัชกาลที่5้านะฮะรัชกาลที่6แล้วก็สิ้นสุดรัชกาลที่7ก่อนนั้นๆไม่ใช่สมบูรณา ญ, ญาสิทธิราชเป็นแค่ราชกิจปไต้ แต่ไม่ใช่สมบูรณ์ในอาศิทธิ์ทิล่สมบูรณ์ในอาศิทธิ์ทิล่คือระบบที่ปกครองที่มารวมสู่มิตรที่สามัญกษัตริย์ซึ่งมีครั้งแรกก็สมัยรัชกาลที่5กุมภีร์ลงสานุภาพเป็นคนเป็นคนเป็นมือขวาที่ทําให้เกิดระบอบปกครองนี้ขึ้นกุมภีร์ลงชานุภาพเนี่ยท่านพูดอย่างไงจากประสบการณ์การปกครองการเป็นรัฐปกครองนะท่านพูดอย่างนี้นะครับว่าอํานาจอยู่ที่ลัษฎรเชื่อถือ ไม่ใช่อยู่ที่พระราชแสงสัตร า, าค่าพูดสั้นๆนี้ น, นะฮะซึ่งมันมันคือนิยามของสันติวิธีเลยคือหัวใจของสันติวิธีอําน้าไม่ได้ที่ปืนน ะ, ะอํหน้าไม่ได้ที่มีดหรือพระราชแสงสัตราอํหน้าไม่ได้ที่กองทัพนี่คือประสบการณ์ของมือปราศการที่5 อำนาจอยู่ที่รัษดรเชื่อถือคือว่าถ้าทําให้รัษดรเชื่อถือเมื่อไหร่เนี่ยผู้ปกครองก็มีอำนาจถ้ารัษฎรไม่เชื่อถือผู้ปกครองก็ไม่มีอำนาจแม้ผู้ปกครองนั้นจะมีอาวุธก็ตามและการทําให้รัษดรเชื่อถือเนี่ยมันใช้อาวุธบังคับไม่ได้ฮะมันต้องใช้สันติวิธีมันต้องใช้ความเป็นธรรมมันต้องใช้ความเมตตาต้องใช้คุณธรรม ไอ้ตรงข้างกับหมอเจือตรงนะหมอเจือตรงบอกว่าไงฮะหมอเจอตรงจําได้ไหมฮะหมอเจอตรงบอกว่าอํานาจรัฐมาจากปากกระบอกปืนเคยดิงไหมฮะอํานาจรัทมาจากปากกระบอกปืนกรมประชาธิปรงบอกไม่ใช่อํานาจรัฐมาจากการที่ประชาชนเชื่อถือผู้ปกครองถ้าประชาชนไม่รักถือไม่เชื่อถือผู้ปกครองผู้ปกครองมีอำนาจแค่ไหนกูอยู่ไม่ได้ ตัวอย่างเมื่อเร็วๆนี้นะฮะประเทศเซอร์เบียฮะเซอร์เบียนี่ประมาณ2ประมาณ 2,543 เซอร์เบียเนี่ยมีโรเซวิกเนี่ยเป็นผดกการซึ่งทำให้เกิดสงครามในยูโกสลาเวียที่เราได้ยินว่าบอสเนียเซอร์เบียเฮอร์เซโกวินาเบลกานที่ฆ่ากันและเทะเนี่ยมอนี่ฮนะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคนทำให้เกิดสงครามขึ้นทีโรเซวิก มีอำนาจมากแต่ว่ายิ่งมีอำนาจมากแช้อำนาจกระเดิการมากประชาชนก็ไม่ยอมรับแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยแกพยายามจัดเลือกตั้งฮะแกแกจัดเลือกตั้งเพราะก็คิดว่าถ้าประชาชนเลือกตั้งแกก็จะมีความชอบธรรมและในระหว่างการเลือกตั้งเนี่ยปรากฏว่าประชาชนก็ลดตัลง ไม่เลือกแกนักศึกษาประชาชนลงลงไม่เลือกทิ่เรเซอร์สนะฝ่ายข้านวงพลังกันเป็นแถวร่วมปรากฏว่าเอาชนะการเลือกตั้งได้แต่ที่เราเซอร์วใช้กลกลเม็ดเอาการให้การเลื อ, อกตั้งเป็นโมฆาไม่ไม่แต่จาประกาศว่าแกชนะประชาชนไม่พอใจประชาชนไม่พอใจที่เราสิ้อก็ใช้กําลัง ประชาชนไม่พอใจเนี่ยจุดเปลี่ยนเนี่ยก็คือว่าคนคนในเหมืองถ่านนเนี่ยหยุดงานระทุ่มมิโลเซียมิโลซียดส่งกองทัพไปกดที่แต่ปรว่าประชาชนเป็นแสนเข้าขวางถาหายก็ไม่กล้าหายก็ทำอะไมไม่ได้ใช่ไหมมิโลเิียดแถวที่เจียบควบคุมขัดขวางประชาชนประชาชนปกว่า นักแสนเดินทางมาที่เมืองที่กรุงเบลเกรแล้วก็ล้อมรละจัตุรัสาและสถานีโซลแทนของเรานะสองวันฉนั้นนะฮะนี่เราใช้กบขอลาออกนะี่เราใช้ปีกองทัพนะฮะแต่ว่าไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะ เอ่อบงังทับประชาชนได้ราะเขาสิญเสียความชอบธรรมจด ก, กายอีกกรีนึ่คือฟิลิปปินส์จำได้ไหมประานดีมอลคอสประธานที่ดมอลคอสซ้อนนาเปา็นผลการานแก่ไปรัฐธมนูญโดยทั้งแต่เป็นเป็นเป็นประธานทีดีไม่มีตัวนึและก็ฝ่ายท้ายี่ชิ่นดีประเทศเนี่เดินทางข้าประเทศ น, นี่หน่อยอคิโ่ก็ถูกฆ่า บนสนามบินในก่อนที่จะลงมาที่สนามบินทุกข้าประชาชนได้ขอแต่งมาสุดท้ายคนตัดสินใจเลือกตั้งคอรเรียกินโนภรรยาของนีโนอาคินโนเป็นผู้สมัครประธานชีิศดีแล้วก็เลือกตั้งได้คะแนนเสียงล้นหลแต่โบร์มาคอสบอกว่าแกชนะประชาชนประทว้วงแต่ในทสุดปรากฏว่า รัฐมนตรีกราบโหมและผอตบของของของของมาคอสก่อรัศมอาหารกอรัศอาหารเมื่อคมชเนี่แต่ว่ารัชการใม้สาเร็จลมนี้มาอยู่ค่ายทหารค่ายกรานี่ึกขามนอรชารไม่สำเร็จมารุดในค่ายทหารนี่ยตุ่มบอมแน่นเลยมากอสเสียงกาะเสีงก๊องก๊งเข้าไปบทที่ยี่ ผู้ก่อรัฐประหารบอกว่าประชาชนเป็นแสนล้องไห้นั่นเอาไว้แล้วก็หยุดงานสถานีโทรทัศน์ถันมาสนับสนุนฝ่าย ป, ประชาชนและผู้ก่อรัฐปหารมาก็ส่งกองทัพมาตรวที่นี่ประชาชนไี่ประชาชนมีแค่มีแค่รูปประคำกับสิ่งส่วนต แต่ออเาอกว่ามาร์คอสทสสอาไม่สเร็จเพราะว่าประชาชนไม่รัฐบาลทหารไม่เอาด้วยทหารไม่เอาด้วยมาคอสก็ผมดยาประชาชนไม่เอาทหารไม่เอาตำรวจไม่เอามาคอสก็เลยต้องหนีออกากประเทศไปในเวลาแค่4ีวันแลังแต่มีการชุมประท้วงล้อมค่ายพรเมไว้ไ ม, มีการใช้สถิติที่ถม อ, องนี้เนี่ย ด ง, งานปิดโรงเรียนปิดหน่อเชลยเพื่อต่อต้านควเการในทาติอเมริกาเจ็ดสิดสดปิดโรงพยาบาลยด ง, งานทั้งประเทศรัฐบาลปฏิการก็อยู่ไม่ได้ในอ เ, เมริกาทรา ม, มีกี่รัฐบาลที่ถูกโค่นลง ด้วยสันติวิธีไม่ต้องใช้รัฐทหารนะไม่ต้องมีทหารมาบังี่แต่ว่าประชาชนเพียงแค่ให้ยอมรับในเชี่ยวสั่งปิดโรงงานโรงเรียนโรงพยาบาลสถานีสถานีโรทัศน์ไม่ให้คนรุ่มมาาื อ, อ, อมใ น, นอเมริกาคืออเมริกาใต้เนี่ยรัฐบาลถึงเสนาธิรัฐบาลถูกค่นล้มเพราะประชาชนใช้สันติวิธี ก็คือประชาชนไม่เชื่อฟังประชาชนไม่เชื่อฟังรัฐบาลประชาชนไม่ไม่สัรสนุกรัฐบาลราี่ไม่ได้กระทั่งที่มีมกองทัพตรงนี้คือคือคือพลังทา ง, ออ ง, งาการเมืองสันติวิธีหรือการไม่ให้ความสามเสน่ไม่ยอมรับหรือถอนความร่วมมืออันนี้ นี่อัาลจลบงทางการเงินสังเตวิธีมีพลังทางใจฮะพลังทางใจคือการที่อกชนาใจการอัชนาใจในิเรียนี่ยมันเคยมีมัเมีมีคนเียกกระทวงนะคือเขามีรื่ที่เขามีการรังเกียดชนชั้นวรรณะกัน แต่ไหนว่าจนชั้ น, นักสูตรเนี่ยเดินผ่านโบสถ์เนี่ยของพวกพราหมณ์เนี่ยไม่ได้ก็มีพวกขันทีเนี่ย็ไปเดินผ่านตุกจับนะเดินผ่านเนี่ยเป็นวรรณะเป็นวรรณะาเป็นค น, นวรรณะกันเดินผ่านแค่เดินผ่านหน้าโบสถ์ตุกจับ พอถูกจับเสร็จคนอื่นก็มาเดินนั่งตุกจับนี่ก็มีคนมาเดินมากขึ้นเลยจนกรทั่ทตำรวจเนี่ยใช้วิธีแก้ก็คือเอารั้วมาขว า, าไว้ขวางถนนไม่ให้คนเดินผ่านปกกว่าประชาชนก็มาออมาชมนุมมาอยู่หน้ารั้วยชั่วโมงนะฝนตกก็อยู่แดดร้อนก็อ ย, อยู่ตัดเวกกเรกลังค็ล6ชั่วโมงน้ง จกนกระทัางพรามเนี่ย ใ, ใจอ่อนบอกว่างั้นเลิกนะต่อไปจะเดินผ่านก็เดินผ่านได้จำไม่ว่าะเลยอันนี่เป็นกรณีตัวอย่างคือการใช้สถิติชนะใจตู้กรณีเรื่องนี้อาจจะไกลไปนะเอามาใกล้ๆตัวดีกว่าเนะพวกเรารู้จักผู้ ว, ว่าสายสิทหิ์อนแก้วสกลสคนลคร เมื่อสมัยเมื่อสมัย40ปีก่อนเนี่ยที่สกลนครเนี่ยมันเป็นเขตสีแดงนะเป็นเขตต่อการเป็นเขตต่อการ้ย า, รายสมัยนั้นเขตเป็น้อาศัยสิ่เขตเป็นแนวนเนและมีคนมารายงานเจ้าที่รายงานว่ามีปอบกอค อ, กอำลังตั้งเวทีมุตมอยู่ในหมู่บ้านกลาง นายพลสายสิทธิเนี่ยก็ส่งกำลังเข้าไปนำกำลั ง, งไปที่หมูบหม่บ้านแต่เมื่อถึงหมู่บ้านแล้วนะไม่ได้ส่งกำลังตำรว เ, ข, นะ เ, เข้าไปจํานะตัวนายพลเนี่ยเข้าไปเข้าไปนั่งฟังยืนเงียเนะข้าไปนั่งฟัง่นเดียวยืนฟังนะเสร็จแล้วสัั้เนี่ยจากที่ขอคอร์ทที่กลงังต่อระบเนี่ยจะรวมในีรัฐบาลสาธสิทเสียให้เขาขึ้นไป วันไหนทีนะวันที่ ที่ภาคที่กาอนนั้นต่อมายสักกีปีเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ก็คือว่าที่ภาคที่หน้าเนี่ยมนเนเขตมันเป็นเขตเขตทางที่มของกาแลวกว่าเจ้าหน้าที่ในภาค3เนี่ยก็เข้าไปก็ไปตัดแกนนําซึ่งเป็นชาวโ้ตไปตัดแกนน้ำที่เป็นชาวน้ตพอมี <c oughs> ข่าวไปถึงไปถึง ที่มันว่าขอก็ขอที่ผู้นำชาอมงถูกจับได้ว่กว่าคนที่นั่นเนี่ยดีใจ ไม่กี่วันต่อมาคนที่ถูกจำเนี่ยก็ถูกปล่อยออกมากลับมาที่บ้านก็มีคนไปถามว่าเป็นยังไงบ้างทำไถึูกปล่อยมาไปเกิอะไรขึ้นที่ที่ที่ที่ท่ค่ายทหารผู้นำชาวพงศ์ก็บอกว่าไม่มีอะไรเขาก็พาไปพูดไปคุยเสื้วทาไปกินนึเดืยวพาไปดูหนะังจับได้นะฮะไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ซ้อมไม่ได้ทำอะไรเลย ตาไปกินขเตียเนน้นแล้วก็ล่อยออกมาพอผู้นำชาวมงเนี่ยถูกแจ้งทิปปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยกว่าผเห็นใจกลยนีอไนี้เไึ้นเเล ย, ไ ม, ล ย, เลยไมึ้อแล้วพตัวไม่ไไเป็นลูนกตุกบ้าแต่เป็นร่วมเป็นเป็นแกนน้ำไม่ออขอถอย บอกว่าแกนํำในกรปทเนี่ยพอได้ข่าวนี้ก็บอกเลยว่าเราเสียทางเท่านั้นเราแพ้ทางเท่านั้นแล้คนที้แกมาพูดาากัทำไมนะฮะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็นน ก, ก็เป็นก็มามีบทบาทในใ น, ในกรรมการสิทเราแพ้ทางเท่านั้กทแพ้แาทางเจหน้าที่พเาเจ้าหน้าที่เนี่ยแทนที่จะใช้วิธปราบทรบมานใวิธีชนะใจนี่คือ นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การเอาชนะการเอาชนะพอกอระถอได้ด้วยตามเมือง ต, ต, ต, ตามทหารที่หลัต่มาือวน่ริมสันติวิทีอนหนึ่งแลสติวิธีนี่มันมีพลังอย่างแรกคือมันชนะใจคู่กรณีนะไม่ น, นี่ไม่้ดเรื่องพลังการเมืองนะเมื่อกี้เราพูดพูดึงพลังการเมืองวิธีนะให้เรารู้ั้งทางใจ หลังจกสถิติวิธีเนี่ยน่อมัชนะใจผู้กรณีชนะใจ่อคชนะใจชาวม้หรือว่าที่การทีชนะใจชาวกราแต่บางครั้งเนี่ยมันชนะใจผู้กรณียากชนะใจผู้กรณียากแต่สิติวิธีมีอย่างหึงชนะใจฝ่ายที่สามฝ่ายที่สคือประชาชนสวิธีชนะใจฝ่ายที่สา และบ่อยครั้งเนี่ยที่ชนจจะใจได้พราว่าสันติวิธีผู้ชเสนชีเนถูกกระทาด้วยความรุนแรงองสังเกตไหมเวลาใครเนี่ยที่ทำเพื่อแบบว่สันติวิธีเนี่ยอยู่ไม่ใช่อารมเนีแล้วก็ถูกกระทาด้วยความรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่กว่าเขาได้รับแรงสนับสนุนความิเห็นวิจัยจากประชาชนเยอะมากและบางครั้งความคิเห็นวิจนี้เนี่ยสามารถที่ทาให เจ้า้ที่รัฐบาเนี่ยเพี้ยมพรั ง, งหรืออาจจะอยู่ไม่ได้เลยก็มีนะมาสามารถรยกตัวอย่างเยึะแยะได้เ ล, เลยนะซึ่งมาได้เขียนไ้ในหนังสือเรื่องสร้างสัติมือเราเช่นรัเซียรัเสเซียเนี่ยประมาณเกือบร้อยปีที่แล้วเขาส่งกองทัพกับไอบทที่ประชาชนที่มาชุมตายกันเยอะ แต่พบว่าถูกประท้วมทั่วโลกตรยท่านต้อกเี่รัฐบาลและรัฐบาลต้องนำเอาประชาธิปไตยมาก่อนที่ประเทศจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์อฟริกาใต้มีประชาชนมืเปล่าประท้วงรัฐบาลประชาชนมีคนผิวดารัฐบาลมีคนผิวขาวก็ปราบประชาชนตายตัวโลกรกัดกนบอยคอร์ความหวัง แอฟริกาใต้อยู่ไม่ได้ตอนหลังก็คนถามว่านำยอมยอมจากอำนาจให้คนดำขึ้นมาปกครองเบนเล่าเป็นประธานในสิ่งที่มัยิ่งกวแรกที่เป็นชาวผิวดำในแอฟริกาใต้เพราะอะไรเพราะว่าไปใช้ความดุร้ายกับประชาชนบ่อยครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าจนทั้งประชาชนโลกเนี่ยอยู่ไม่ยอมรับไม่ได้ ใกล้ตัวเม่อสิบิงหาสิบสิงหาประชาชนชุมนุมเป็นล้านล้านมือเปล่าแต่าก็ว่ารัฐบาลกองทัพใช้กระสุนทหารเขไปทำลายประชาชนจึงกมีการใช้ปืคอมพิวเตอร์ยิงลงมาขงล่าง เตการทนั้นก็ประชาชนก็มีการตอโต้มีการเผามีการอะไรก็ไม่ใสันติวิธีล้วนๆแต่ว่าล้วอย่างสันติวิธีแล้วก็ถุน ก, กระทาบอกว่าสักกษัตริย์ก็อยู่ไม่ได้บางคนหลังก็ห่อไปเพราะว่าประชาชนทั้งประเทศเนีย่ยหันเทใจให้กับฝ่ายนิสิตนักศึกษาที่เลี่ลนยนน้องราฐธรรมนูญามคนมีคนต า, าย่า ปาสนตายไหมเศืสาตายไหมมีฮะ ค, คือสันติวิธีนี่ใไม่ใช่ไปตายนะฮะเดี๋ยวเือสันติวิธีเนี่ยคือการเดินบนบนพรมรวมแล้วเป็นเจ็ไม่ใช่สันติวิธีก็คือการเดินบนขางหาสัติวิธีหมายถึงการเปิดโอกาสให้เ้าทำลายก็ไม่มีอาุธต่อสู้ แต่ยิ่งผู้มีอำนาจผู้มีฤทก์ใช้กำลังกับผู้ต่อสู้ด้วยมือล่าผลเสียก็จะตกกับผู้ใช้ความแรงเองเพราะประชาชนก็จะเห็นใจผู้ที่ถูกทำร้ายมาเทาใจให้กับผู้ที่ถูกทำร้ายแล้วก็โยนตีต่อต้านหรือ ไม่ให้ความสดชื่ผู้ที่ใช้กาลังจนถ้าถ้าเป็นรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้พุทธาคุมธรรมินก็เป็นตัวอย่า ง, งาพุทสภาธรรมินทนะถึงแม้ว่าจะมีรถซิ่ ง, ง เ, เข้ามาก่อกวนเข้ามาทำอะไรร้อยแปดแต่ได้เกิดขึ้นหลังจากาาจที่มีการใช้กาลังทหารขเขาไปปราบลราชุมนคือผู้ชุดมวิธีในจุดแข็งนถือว่ายิ่งถูกทำลายมากเท่าไหร่ยิ่งยิ่งได้รับการสนับสนุนจากประชา ช, ชมนมากเท่านั้น อันนี้คือพลังขังใจนะให้ดูาของจันทวิธีนเนี่ยคือชนะต่ประชาชนยพร้อเวลาถูกทำลายนะฮะข อ, อนเน้นเลอนะจันทวิธีนเนี่ยจะจะได้จ ะ, จะสามารถชนะใจประชาชนได้เลยพร้อมเมื่อถูกทำลายแล ะ, ะให้กลับโต แล้วผลเสี ย, ย, ยก็จะตกมาอยู่ที่ผู้ที่ใช้กำลังเองจำได้ไหมฮะเมื่อสมัยสักสิบปีที่แล้วเนี่ยมีสมัชชาตนน์เนี่ยนะเข้าไปชุมนุมกระทู้รัฐบาลเสร็จแล้วเขาเนี่ยปีนกำแพงทำเนียบเข้าไปนะมีกดไมายนะฮะปีนกำแพงเขทาไปพระาจ้าชินก็ไม่เห็นด้วยนะ แต่พอมีข่าวว่าเจ้าที่ร้านเนี่ยตำรวจเข้าไปทุกดีโดนคนแก่มีภาพถ่ายคนแก่ที่เลือดอามเลยเด็กถูกขี้วเข้าคุกเด็กตัวเล็อกอ่ะเสียชีวองคนในกองําเพื่อความสุขของคนที่เห็นข่าวมันเปลี่ยนไปเลยอย่างเดิมที่ไม่เห็นด้วยกับสราชาร์เดินที่เข้าไปชุมนุม ที่ก็ไปปีนปีนกำแหงทังเทียวเข้าไปเนี่ยแต่ก็เขาถูกทาหารให้ตำรวจทำร้ายอย่างภาพที่เห็นทางสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็เปลี่ยนขั้นจริงจริหรือเมื่อตอนที่ ช, ชาวบ้านที่เขาจุกุมเขา้าทเที่ยบเขาเรียกร้องให้ขึ้นอาคาข้ามหสามกำลังแล้วก็เขาบอว่าตารวจที่ส่งหมาไป เ, ปเปอาหมาไปได้ตัดในทั้งเทียบ พอเป็นขาขึ้นมาชาวบ้านนี้เจ็บนะชาวบ้านเจ็บชาวบ้านยอมแพ้แต่ตำราจก็เสียด้วยรัฐบาลก็เสียด้วยก็ชาวประชาชนยอมก็ไม่ได mm hmm. ้ลองสังเกตนะคือ mm hmm. สันติวิธีเนี่ยสันติวิธีเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยาสันติวิธีเนี่ยมีจุดอ่อน ตรงที่ว่าไม่มีกําลั ง, งมนุษุ์แต่จุดอ่อนนั้นเป็นอุ้งแข็งในตัว เ, เพราะไม่มีกําลั ง, งมนุษย์เสร็จถ้าถูกทาลายเนี่ยก็จะได้ความหันใจและทําให้ฝ่ายที่ทําลายนั้นเนีเสียภาพก็เสียาการเงินนึกออกนึกจาได้ไหมตอนที่มีการประท้วงคองประท้วงรัฐบาลทักประท้วงทักสิงนะพรรประปชารัฐตายประท้วงอยู่ที่อยู่ที่ตัวรัฐดำเนิน ก็มีการพูดว่าถ้าฝ่ายไหนใช้ความรุนแรงก่อนต่ายนันแพ้คือ ท, ทั้งที่เขาประท้วงเนี่ยเป็นเดือนแต่ว่าตำรวจหรือรัฐบาลเนี่ยไกล้าที่จะใช้ความรุแรงเดดขาดกับผู้ชุมน ท, ท, ทั้งที่เขาดา่านา ย, ยกทุกวันทุกวันกวันพอถ้าใช้ความรุนแรงเมื่อไหร่นะ ประชาชนก็จะเทใจมาที่ฝ่ายที่ถูกทำร้ายคือฝ่ายกันตมิปัตบาลก็จะเสียการเมือแล้วกว่าจจะขอร้องการให้อีกฝ่ายเข้ามาช่วงริงอำนาจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ใช้ความรนแรตอนที่การจะมีมีการมาตุวความมาชมีการมาตุ้งคอ ม, มาช แต่เขามาใช้กำลังทำอะไรทางด้านที่ที่ถูกด่าทุกวันพอรู้ดีว่าถ้าเป็นฝ่ายใช้ความรุนแรงก่อนก็จะแพ้แพ้แค่ไหนกึงนะฮะแล้วก็แล้วตรง น, นี้เนี่ยนี่คื อ, น, คอนี่คือจุดแข็งของสันติวิธีนะซึ่งซึ่งซึ่งอยากจะให้ให้กให้ทุกท่านเนี่ยซึ่งเม่เจ้าห้าที่ของรัฐเนี่ยได้เข้าใจ ว่าเวลาที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้สติวิธีเนี่ยคือผู้ที่ไม่ผู้ที่ชุมนุนก็ดีหรือที่เขามไม่มีอาวุธเนี่ยนะถ้าเราลงมือใช้ความรุนแรงกับเขาก่อนหรือถึงเขาใช้ความรุนแรงแต่ว่าเราใช้ความรุนแรงต่นเหตุต่นเหตุนะ เราก็จะแพ้เราอาจจะจับคนได้เราอาจจะจับคนอาจจะผู้ร้ายได้น่าจะเหมืนคนน่าจะเหมือผู้รายเราจับได้ยเยอะเลนเป็นร้อยแต่ ว, ว่าเสียตังเงินแล้วก็แม้และจะทําให้ก็จะแพใ้แพใจแพ้ใจประชาชนแพ้ใจคนในท้องที่หลายอย่างและ เหมือนเหมือนเหมือนหลายกรณีที่ที่มีการพูดถึงกันกรณีคือใช้รกรณีตัดไฟเนี่ยนีค่คือตัวอย่างคือถูกคกิดไม่ว่านะแต่ว่าถูกพีจารณานี่เรื่องึงแต่ว่าพอเราใช้คนแรงเกินเหตุมันกายมันายเป็นปัญหากับเจ้าที่บ้านที่บ้านตรนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยคือคือความอ่อนไหว ของการของความอนไห้ในการจัดการกับจินดีวิธีซึ่งเจ้าที่รักเนี่ยยังยังไม่ระวังพอที่ผ่านมานะฮะยังไม่ระวังพอกับความอ่อนไหวจรงนี้ทั้งที่ทบทเรียนในปรติสาสตร์มมีเยอะมากที่เห็นที่เห็นว่า้าใช้ความดูแลผู้ที่มีเด็กเล็เนี่ยมันเิดปัญหา และตรงนี้คือจุดแข็งขอ ง, นะข ง, ขอ ง, งสันติวิธีเหรอแงของซึนะ่งเราคิดว่าเจ้าอาชีพรคนตรีดูไวเพื่อที่จะไม่ให้จุดแข็งของสันติวิธีนั้นเนี่ยากลายเป็นขอที่แทนฝ่ายบ้านหรือทา้ากนกาก็สามารถใช้จุดแข็งของสันติวิธีนี่น เ, นเพื่อทาให้ฝ่ายที่ใช้คนแร ง, ง, งคือผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยเเพียงความ ซึ่งตรงนี้เนี่ย จ, จะต่อมาก็จะได้พูดต่อไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพูดพู ด, พ, ดพูดเรื่องพื้นฐานก่อนนะครว่าไอ้สังเกตุวิธีเนี่มันมันมีน้ำยาได้ยังไงนะเดี๋ยวจะลงรายเรียนมากขึ้นตอนนี้จะจะพักก่อนนะเดีอยวจะักถาม <10. 20. S> 1ิบ0มงยี่สิบแล้วพักก่อนนะ เอาสิะทีขาเรียาไม่กลับมาเลขแนะคะ ก็จะต่อภาคที่สองนะครคราวนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยทานมาก็เรียมของเขาก็ใจดีกับสันติวิธีนะว่าสันติวิธีนี้มันมันมีทัศนคติได้ยอย่างไรแล้วก็มันมีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงสันติวิธีทั้งในฝ่ายของประชาชนเพราประชาชนเวลาเขาเขาใช้สันติวิธีเนี่ยเพื่อที่จะต่อสู้ าครงคู่กรีเจาที่รักเนี่ยขใช้วิธีการที่หใช้วิธีประตใช้วิธีชุบลุมก็ใช้วิธีไล่ให้ความรุเใช้วิธีจุดงานเรียกว่าคอมบากหรือก็ใช้วิธีขวางเอาตัวขวางเอาตัวปิดปิดร้องค้ายนกรแผงลนุี่คือสันติวิธีของประชาชนแต่ฉันไปใช้แต่รัฐบาลรเจ้าหน้าทีกก็มีสันติวิธีเหมือนกัน แล้วก็สามารถที่ใช้สันติวิธีได้เหมื ก, กัรสันติวิธีวันเป็นสิ่งของทุกคนมันไม่ใช่เป็นของประชาชนทเดียวทุกคนใช้สันติวิธีได้แล้วก็เจ้าที่รัฐเนี่ยก็สามารถใช้สันติวิธีได้และถ้าทําให้ดีที่ก็ได้ผลด้วยเรื่องทมจะพูด3าประเด็นนะฮะประเด็นแรกคือเรื่องของการใช้สันติวิธีในแบบบุคคลสันติวิธีในแบบบุคคลเนี่ยก็คือการเป็นบัตกับเขาอย่างเป็นมิตรและอดทนที่สำคัญมาก อาจารย์ก็ยกตัวอย่า น, นเบอร์สายสิบที่เรียกว่าทาั้งท้งที่เจอผอคลองมาบุกดมอยูในหมู่บ้านก็ก็ไม่ได้ใช้กำลังแต่ว่าพยายามชนะใจเขาแล้วก็พยายามใช้ความความความเป็นเพื่อนแบบไทยๆคือว่าเข้ามาโอบไหลโ่โอมหลังนะซึ่งต้องใช้ความความกล้าและความใจถึง แล้วก็การมองเขาา้าแบบไม่เป็นศัตรูในตรงนี้ประเด็นนี้ต้องมายขยายเพิ่มเติมคือสันติวิธีไม่ได้ผล เ, เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการไม่มองเข้าเป็นศัตรูหรืออย่างเจ้าที่ภักสาเนี่ยทหารเนี่ยภักสาเนี่ยจับจับแกนนาของพมท อ, อ, อได้ซึ่งเป็นชาวมุกแทนที่จะทรมานแทนที่จะจับเ ข, ก า, ขาก็พกาแามชนะใจก็พาเขาไปเที่ยวพากขาไปดูหนังพาเขไปกินก๋วยเดี๋ยวแล้วปล่ อ, อย เรียกว่าซื้อใจนะซื้อใจแลเรื่องบนี้เนี่ยไม่ค่อยเป็นข่าวนะครับ่ค่อยรู้กันเท่าไหร่ซึ่งน่าจะได้ตอนนั้ก็ได้สองเรื่องผู้นี้มาจากเนีย่ยจับแต่เจที่ทั้งเนี่ยที่ก็ามาไล่สอบซึ่งก็ทำเงินเยอะนะเพราะมันเป็นวัฒนธรรไทยๆคือต่างใช้ความเป็นพึ้นัใช้ความเป็นมิตนะซื้อใจหน้าที่สู้กนเรื่ารุธเนี่ยนะยิงกันแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยก็ซื้อใจ ก็ต้อใช้สำเร็จเนื้อฮะก็คนที่ผู้นำช่วงม้งที่ที่ถูกปฏิบัติแต่เป็นวิธิเนี่ยเขาก็ไม่ขึ้นเาก็ไม่เข้าป่าพอาทบซึ้งแล้วเขาคิดว่าเอเจ้าที่ร้ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คนนึกอันนี้ก็ทาให้แกนนาพอทอยที่บอกว่าแท้ทางคนละแท้ทางรัฐบาลคือถ้าจะชนะเนี่ยรัฐบาลต้องยี่รัฐบาลต้องต้องถึที่ยี่ต้องปราบต้องฆ่า น, นี่รัฐบาลจะแพ้าพาทางพบทแต่พอเจ้าที่รั้นเนี่ยปฏิบัติกกต่อเขาด้ด้วยมาเตรจิตเนี่ยบอกไว่าพบทต่งทางๆที่แพ้ท า, างเจ้าที่ร้นและนี่คือสาเหตุที่ทำให้เราสามารถชน ะ, อะคอมมิชชั่นได้ในช่วง20ปี25ปีที่ผ่านมาเรื่องกรณีล่าสุดเนี่ย ท, ที่ที่พตายเนี่ยาคมได้ได้ไดรับทรามากรี้ก็คือเป็นตัวอย่างเล็กๆแต่ว่าก็สำคัญนะ เป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่พันในการใช้สันติวิธีอัตมาเรียกว่าสัติวิธีนกันก็คือว่าตํารวจน้องจิกเนี่ยตํารวจอำเภอหนองจิกเนี่ยก็สืบสร้งว่าได้มีผู้ผู้ต้องหาหรือผู้กออความไม่สุบเนี่ยฝังตัวอยู่ในหมู่บ้านก็ยกกำลังไปจับไปจับมาได้จับตัวมาได้นะฮะขณนที่กำลังจะเอาเขา ข, าขึ้นรถี่บอกว่าชาวบ้านในหมู่บ้านนะและและผู้หญิง ก็มาดุรรนจเจ้ทาทีไม่แห้อไปเราเราคือผ้าธนบิณฑ์ เ, เจ้าที่จะทำไรคต้องสู้เลยต้องสู้ไม่มีบทที่กฎไมาย น, นี่ปรกอบกับไม่สมบูรณ์หนึ่งมีหลาากักฐานพรากว่าก็ก็ไม่ได้ต่อสู้กับไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้ไม่ได้มีการประทาะกับกับชาวบ้านนะแถมปรากว่าผู้ต้องหาก็ปล่อยก็หลุดไปต้องไปล่ตัวผู้ต้องหาไปแต่พวกก็ว่าลุกขึ้นมาใหม่ ก็เช่นกรณีมาใหม่คราวนี้นะก็มาตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาแล้วก็อธิบายว่าทำไมถึงตรวจค้นมีหลักฐานอะไรว่าเขาเนีอู้กอข้อพสูจกแล้วก็มีการส่งเ้าที่แบบปไปใช้คำพันธ์ก็ปราว่านังแต่งวันนั้นมาเนี่ยนักแต่งที่ไปเขาแจ้กับชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยมีท่าทีเป็นยังไงคือิแย้ม เพราะว่าการเรียนรู้นี่ใช้ความเป็นมิตรใช้ความของลูกเรีนนนยนระูแม้ว่าจะเสียผู้ต้องหาไปแต่ได้ใจชาวบ้านนี่สำคัญนะเสียผู้ต้องหาไปแต่ได้ใจชาวบ้านซึ่งการทำเชื่อมันดีกว่าจับผู้ต้องหาได้แต่ว่าแต่ว่าคําให้ชาวบ้านเกิดชังนะได้หนึ่งได้ได้หนึ่งแต่ว่าอีกว่าเป็นสัตรู ในตรงนี้เนี่ยอัตมาขึ้นเป็นสันติวิธีนะฮะสันติวิธีไม่ได้ไหมายความให้ไม่มีการจับกุมนะฮะสันติวิธีมีการจับกุ่มนะฮะมีการใช้วิธีการตามกฎหมายแต่ว่าทำด้วยความเมตตและมความเป็นมิตแล้วก็ไม่ไม่ไปก่อปัญหาใกับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเช่นจะจะจับผู้ต้องหาแต่ว่าไปกระทบกับเจ้ากับบ้านหรือว่าผู้หญิงเนี่ยที่กชุมุม่ก็ทาให้เกิด อันนี้เ็ตัวอย่างเล็กๆคืออย่างที่ชื่อเคิดว่าในสามตัวใช้ทั้งๆที่คนทำแบบนี้เยอะแต่ว่าไม่เป็นข่าหรือว่าไม่กม่คอยปรางกฏเราเพจะได้ยินแต่เรื่องของที่มาดูแงเราก็เลยคิดว่าที่มันต้องใช้วิธีดูแลเพรา ะ, ะสันติวิธีไม่ได้กผลให้เขาไม่ได้ผลก็สําคัญนะว่าอย่างไรจึง เ, เรียกว่าได้ผลอย่างเช่นที่พิเศษสมายุติยาชาว บ, บ้านมาชุมนุมกันที่หน้นาถนนบอกว่าตำรวจเข้าไปจับจับได้หมดเลยนะ แต่ว <Cornell> ่าชาวบ้านหัวราทั้งแตกเลือดอาบเด็กถูกตีเนี่ยถามว่าสาเร็จถรุ่งเรืจักได้หมดเลยนะแต่ว่าผ้าที่ปกวดต่อสู้บนเนี่ยเด็กเด็กถูกจ่าพุ่ยเปื้อนเลือดอาบเลยอันนี้ถือว่าชนะในแง่ของนิจทวิทีแต่แทยในจุดยุทธาสตร์ได้ต่าง มีตัวอย่าง ง, ง้ไงตัวอีกตัวอย่าง่งมีตำรวจเนี่ยมีโจรสแต่ปวนร้านทองที่มึงชนปืนร้านทอแ ล, ล้วก็วิ่งหนีไปตำรวจอยู่ในเหการณ์ดีนะก็ไปจับตำรวจมีปืนแต่ปรากว่าไม่พยายามใช้ปืนก็ไปต่อเข้าไปเข้าไปแต่ผู้ร้ายมีปืนตำรวจไม่ใช้ปืนก็ไปเข้าไป เข้าไปจับกุมจับกุ่เยังไงไม่ทราบมีรายเอยนะแต่ว่าตำรวจได้รับแากแต่จับกุมโดนได้ถามว่าตำรวจเนี่ยถ้าไม่มีแต่งหาดยจับกุมเนี่ยได้หมก็ได้ถ้าตำรวจมีปืนตำรวจใช้ปืนนะให้โจนทตายตำรวจไม่บาดเจ็บ โจนตายแต่แต่เทียบกับโลวบอว่าจับโจรได้โดยละม่มแต่ว่ตาตำรวจบาดเ็บเนี่ยถามว่าในสายตาชาวบ้านเนี่ยเขาชอบอย่างไหนในสายตาชาวบ้านเขารู้สึกกับตำรวจอย่างไรเพราะว่ากำรวจคนนั้นเนี่ยเรื่อการแทรกซ้อนสารเสริมแก่ชาวบ้านมากว่าอันนี้แหละคือผู้พิทักสัติภาพตัวจริงคือมีปืนแต่ไม่ใช้เพราะใช้ก็ตายจนตาย แต่ว่าชาวบ้าจะบอกว่าน <ifie> <book> so well. ี่าดูแรงเงองจะไม่พูดก็ได้แต่ว่าเขาแต่ว่าชาวบ้านสสนเทตรวจที่ว่ายอมเสียสละกเพราะถ้ใช้ปืนเนี่ยอกจากจะไปโดนตัวไปโดนตัวแล้วีไปโดนอื่นไปรุกลงมันมันไม่ใช่จับโยนได้เงินเลมอมแต่เป็นบดเจ็บกไม่ลมอมเาดเจ็บด้วยที่ว่านี่แหละสันติวิธี ตัวทฤษฎีคไม่ใช่ไม่ใช่ว่าต้องต้องไปจับแต่ว่าทำยังไงถึงจะไม่ใช่ความรุนแรงแม้ว่าจะบาดเจ็นแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ความรุนแรวแต่ไม่ตบเป็นความสําสเร็จเพราะว่าทําให้ประชาชนนับถือตํอารวจมากขึ้นในบางช่วงนิดๆสัษฎีวิธีนในฝ่ายเจ้าหน้าที่ครับซึ่ ง, ซ, งซึ่งเราก็ได้ยมีได้ฟังอยู่แต่ว่ามักจะมองข้ามไป อันที่สองเนี่ยคือว่าสันติวิธีในแง่ของการแตกต่างการชุมนุมอย่างสมบที่สำคัญวันนะฮเมื่อกี้เราพูดปถึงสันติวิธีในระดับบุคคลตัวต่อตั ว, ต ว, ตวระดับบุคคลต่อบุคคลแต่ว่ามาันไม่พอเพราะว่าในบางครั้งมันมีการกระชญหน้ากันระหว่างเจ้าที่รัฐที่มาควมความสมบกับผู้ชุมนุมการแต่งตั้งกับ ผู้ชุมนุมด้วยความสมดุนที่สำคัญนะคเป็นสันติวิทยาลัยจุห <c oughs> มายยัไม่ได้ิงการจับให้จับคนได้นะเราช่วยทุด น, นั้นคือจุหมายรองจับจับคนได้แต่ว่าหัวร่างข้างแตกมีคนตายอย่างบรณีาสากไปเนี่ยเราคิดว่ามันไม่ได้กิโ เ, เป็นความสมดุลเรนเป็นความล้มเหลว เพราะว่าปราะการที่หนึ่งเนี่ยชาวบ้านผู้ชุมนุมเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ยังไม่ได้ใช้ความรุแรงเดินไปอา จ, จะมีคนมาปากโนมากแต่ว่าผ้าที่เกิดขึ้นนันไม่เป็นอย่างนั้นซึ่งมนสนทานกับผ้าที่เกิดขึ้นกับโดยสายเจา้าที่มาเน่นอนคิดว่าการจัดการกับผู้ชมนุมเนี่ยอย่างสงบหรืออย่างมีมุลมละม่อมเรียกอนนุบัติเหตุเป็นสัญลันวิธีอีกขั้นหน่ที่ต้องจุดกัง อันตราย่ทนึภาพในเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อช่วงที่เกิดพิศพานทมินเนี่ยเราลึกภาพเนี่ยสมัยช่วงนั้นเนี่ยมีการชุกชุมที่ที่คนรัฐเนินคนเป็นแสนนะคนป็นแสนมีการโจมกำลังกางวจทหารเข้าไปกลืนตรตอชะดอเนี่ยเป็นเหมือนงานที่สุดสงเข้าไปเข้าไปคุมพัพนสมุนแต่ว่า สิ่งหน่งที่ตดาทำให้เหมือนใครนะฮะและเรื่องนี้ไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนไเ่ไีไ่ค่ยมีคนบัทกเาไว้มีหลายสิ่หลายอย่างที่ตชรทำเนี่ยไม่เหมือนหน่วยงานอื่นไม่เหมือนตรวจไม่เหมือนทหารอันนี้เป็นสิ่งที่เาได้ได้รับฟังมานะจากจากตัวผู้บัญชาการที่อยู่ในผู้ผู้บังคับหน่วยเองซึ่งตอนซึ่งตอนนั้นก็เป็นเป็นบในพันเขาบอกว่า เมื่อท่าน้รับอาให้ไดกคำสั่งให้มรงต่อชะดร้อนเข้าไปคุมความสมุเนี่ยประการแรกเลยก็คือว่าห้ามถืออาวุเข้าไปห้ามถือมอเข้าไปให้มีแต่กระบอกนะแล้วก็โล่ถ้าบอกว่าให้มองผู้สมุนเนี่ยว่าไม่ใช่เป็นผู้ก่อความเดือดร้อนไม่ใช่เป็นอาญากรแต่เป็นเพื่อนร่วมชาติ พ <Daniel> ู้ก <for Besch> <isión> <f uel squared> ับกชอทุกคนเลยเน่ว่าพู้ที่มาชุมุมที่าเนินไม่ใช่ผู้ก่อของความตึงแต่เป็นเพื่อนูชชาเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามเอาผู้เสิร์ฟไปเอาแต่กระบองและโลรวมทั้งไปหาหมกันนาอด้ถ้าบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีหมวกันก็ไปซื้อมาแล้วก็คนสงีเลยัต่อชัที่หมวกันนตชด ให้แยกตันหาทัดเจนระหว่างต่อชะลอกับทหารนะเพราะทหารเนี่ยวุ่นคลมือเลยอ่า่นเราดึงภาพออกนะแล้วก็เพื่อให้เด็กชาดเนี่ยก็ใช้ภาพการ์ดสีส้มภาพการ์สีส้มเนี่ยคนจะประชาชนจะรู้เลยว่านี่คือต่อชะลอไม่ใช่ทหารมีการตัดชุดเียาบานเข้าไปหาผู้ชมเงินก็ไปช่วยผู้ชมเงินตัดชุดียาบานก็เป็นะฮะ เอาหน้าไปแจกด้วยแล้ปรกว่าช่วงนั้นคือวันที่17มันเกิดการประทนกันเพราะว่าผู้ชุมนุมเนี่ยจะเคลื่อนเข้าไปแถวไปไปยังไปยังกางที่รูปแล้วก็ทาทาหารเขาเอารวบระนาวต่างแล้วก็มีการประทนกันความผู้วายเกิดขึ้ทนท่านผู้ท่านผู้คมท่าเหนื่อยตอบอกว่าให้ตำรวจเนี่ยกองเรอเนี่ยห้ามทุบตีประชาชนแค่ตามนี้เฉย ดันเอาไว้บอกว่าถ้าดันไม่ถ้าดันให้สำเร็จนะก็ให้ก็ให้แยกให้ขสายกาลังและไปรวมไปรวมกันใหม่ที่สอนนดังเคือถ้ารู้ว่าถ้าถ้าดันแลไปทุกกันเนี่ยตเนี่ยมันมันงกหไว้แต่อย่าใช้อย่าใชอย่าใช้กระบอกตีดันให้สาเร็จให้ให้ถอยนะเพราะกว่าตัวเรามันเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมา เกิดลงมุ่มายขึ้นมามีการประทักกันแต่ปราิดว่ามีหลายหลายสิ่งที่น่าประทับใจคือว่าในจุดที่มีการกระทักในจุดที่มีการไปรเชลิญหน้ากันระหว่างต่อะกับผู้ชุ ม, มนุมเนี่ยท่านผู้ชุ ม, มนุมเนี่ยพูดมาเลายหลายคนว่าอย่าไปทำเขาอย่าไปทำเขาอย่าไปทำเขาให้คนที่ไปต่อชะลอ อย่าไปทำเขาพุทธิตาฉันดอตอฉันดไม่มีอาวุธนะไม่มีอะไเลยนะไม่มีเครื่องป้องกันตัวนอกจากกระบอกแ ล, ล้โลกซึ่งก็ไม่ได้ใช้แต่พอเสร็จก็เกิดจากเกิดมาตามเชิมหน้ากันชาวบ้านประชาชนเนี้ยเรรู้เลว่าที่คือตอฉอก็บอกว่าอย่าไปทำเขแล้วที่น่านใจคือรถสิงเนียรถิงเนียรถมอเตร์ไซคเนี้ยจะเบิ้ลเบิ้หนใช่หมเบิ้เนี ย, นนยอยู่หน้าหน้าทหารตน เบิ้ลแต่หลายคนเนี่ยพอพอไปเจอต่อชะดเนี่ยก็จะพูดทัก ท, ก, ท ก, กันแบบเฮ้ยอย่าไปเบิ้ลอย่าไปเบิ้ลเขาผูนะ้ที่ต่ะดพผู้ที่มาไกลก็ไปเบิ้ลถี่ื่นแทนเบิ้ลต่อชะด อ, ดกกนอนเนี่ยคือคื อ, ค, อคือสันติอีกทีของต่อชะดซึ่งใช้ทิยภัณฑ์ทางนี้คลื่นแกมีส่นช่วยในการควบคุมสารต่างให้เลวร้ายและงน้อยเนี่ยต่อชะดม่มีใครบเจ็ ไ้ตอ่อชะอให้ทำให้ใครบาดเจ็บด้วยแต่ตมาคิดว่าเราไม่ค่อยได้เรียนรู้แบบนี้เนี่ยจากต่อฉะลอเท่าไรแต่ว่าตอนหลังเนี่ยต อ, อยนชะอบสนใจนั้นตมาไปอบรมกับคุณนาดีนี่ห้อชลอเนี่ยเป็นปีเป็นสปีเพราะก็สุนใจในตรงดีแล้วก็ไปใช้ในการจัด ก, ก, ก, การชุมแต่งกายของชุมนเนีในช่วก่อนในช่วงก่อนราทำสักเสมีการชุมนุมต่อชะลอที่สองไปเรื่อยๆ ก็ได้รับความความชื่นชมจากประชาชนมากเป็นที่รักของประชาชนและสมากวัาเมื่อไปทำงานที่พักตานี่ก็ก็ได้เป็นที่ยอมรับเหมือนกันอันนี้นี่เป็นตัวอย่างที่ว่าการจัดการชุมนุมเนี่ยมันมีวิธีที่จะทำโดยสมครได้มันไม่จำเป็นต้องใช้วิใช้กระบองแล่จำ็ต้องใช้การใช้การตุ้ดีและบางครั้งการตุ้ดีเนี่ยมันกับเติมมันเนสียมากกว่า ประการที่สามนะที่สำคัญนะคือการขจัดเงื่อนไขของความรุนแรงความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยใครนะใครทำก็สําคัญแต่ทําไมใครทําไมเขาถึงทำเนี่ยสำคัญกว่าเงื่อนไขความรุนแรง การไปจัดการกับผู้ที่ก่อความรุนแรงเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาอย่างแท้จริงต้องไปจัดการกับเรื่องขายที่ทําให้เกิดความรุนแรงเรื่องขายที่ทําให้เขาใช้ความรุนแรงในพระตัยโรมเนี่ยมีเหตุการณ์ที่พูดถึงพระราชาองค์หนึ่งซึ่งซึ่งต้องการแก้ปัญหาอันยากรในเมืองของพระองค์ด้วยการจับทรมารและประหารชีวิตก็มีพระมุโรหิตเนี่ย คนหนึ่งเนี่ยบอกว่าทวงติงมากไม่ได้ผลหรอกจับเท่าไหร่ก็ไม่หายมันไม่หมดปริชาปริชาว่าทำยังไงพริชาพระาุกุลย์ก็บอกว่าทำสามอย่างหนึ่งะให้เอาให้แปบงพันพืชพันธัญญาหารและไม่เล็กพันาหารให้แก่เกษตรก ร, ก ร, กรที่คืนยัทนท้องนา เมล็ด พ, นพันเนี่ยพันธุ์คืเนี่ยเอาไปแบ่งจัดสรรให้แก่ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกร 2. ชาวบ้านที่เป็นพ่อค้าเนี่ยก็จัดสรรพวกเงินเพื่อที่ให้เขาถึงตุนในการประกอบการค้าสาแบ่งจัดสรรที่อวบหรือเงนให้แก่ข้าราชการาทั่วถ้งบอกกัว่าพระราชาถ่ตามนะฮะตั้งแต่นั้นมาไม่นานบ้านดรัสสนุก ไม่มีจมพืลาจมพื้ก็ล้ค่อยหายไปในพระไตรปิก็เราม่าแม้ก็ท่าเด็กก็ฟอนอยู่ในหนุกแม่ที่มีความสุขมากบ้านนี้ก็ต้องมีตัวองก็นี่เป็นตัวอย่างนีนพระตรปิฎกซึ่งที่เห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องให้ความสาคัญกับเรื่องของการจัดการกับเงื่อนไขแทนที่เราจะจัดการอุา ก, กรณเนี่ยมันจะดีกว่าถ้าเราจัดการกับเงื่อนไขที่ทำให้เกิดอญา ก, การณความยากตน แทที่เราจะถามว่าใครทำเนี่ยแล้วก็ความหาตัวคนทำแล้วก็จัดการออกมาจะไม่ดีกว่าหรือถ้าเราถามว่าทำไมเขาถึงทำแล้วก็ไปหาสาเหตุว่าเขาทำเพราะอะไรแล้วไปจัดการกาบสาเหตุนั้นการจัดการกับเงื่อนไขความดแลนี่เป็สําคัญบางครั้งอราได้เปิดหัวตาเปจัดการกับตัคนตัวอตัว อ, อย่างนะฮะเป็นเหตุการณ์เมื่อสัก่ปีก่อน ที่จัวนคธรรราประชาชนไม่พอใจชาวตำรวจสบกตำออนครศรีธรรมราชเพราะว่าชอบไปรีบไถ่ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็มีการกระทบกันที่หน้าสอนครศรีธรรมราชังได้ฮะเรื่องที่เล่าขาวใหญ่ทั่อเทศก็มีการจดไฟเผาสออาวบ้านก็ไปชุมนุมกันที่หน้าสอ ตำรวจใช้วิธีการแบบแบบเรียกว่าแบบแบบขึ mm ้นหมวดส่งพรังเข้าไปจับผู้ชุมนุมได้28คนถามว่าสมมตินะจามว่าสมมติไม่สมมตินะเพราะปกติว่าชาวบ้านเนี่ยก็ทุกตีทรัพย์สินราชการนะคืนที่2นะ คืนที่สองที่ก็มาชุ ม, มนมกนกนะตำรวจใช้คนรุนแสลายทุกชนเหมือน ก, กบบอับคืนแรกทุกตีด้วยกระบอกไล่จับกุมนะเพราะเพราะว่าสถานีกลางมากขึ้นประาปชาชนระบายความโกรธทุกตีป้ายจราจรและทำลายสิสาทั่วเมืองเผาด้วยฮนะคืนแรกเนี่ยแค่ทำลายรถยน ที่จอดหน้าสปอแล้วก็เขาบางส่วนพื้นที่สองคราวนี้อาราชทั้งเมืองเลยทุกติกไปจราจรสถานที่ราชานะฮะทั้งเมืองพื้นที่สามที่ดพื้นที่หนึ่งะแค่เผาสปอพื้นที่สองเนี่ยทุกตึกทุกเมืองพื้นที่สามดอะไรขึ้คราวนี้สปอตั้งตัวได้แต่ทำไงฮะ แทนี่จะใช้วิธีปราบ <c oughs> เหมือนสองคืนแรกเรียนมาฐานมาใช้วิธีที่มันที่มันฉลาดกว่า น, นะนั้น1นะตั้งแผน ข, ขวางปิดด้านถนนหน้าที่ผ่านหน้าสปอเพื่อให้เกิดพื้นที่ในการชุนุมเพราะถ้าชาวบ้าที่มาชุมนุมตรงถงนาา น, ง น, นหน้าสปอก็เกิดการเผชิญหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งตั้งดางขวางเอาไว้ ไม่ให้คนเนี่ยเข้ามาชุมนุมที่หน้าสบอร์ดชักชวนผู้นำท้องถิ่นให้พาชาวบ้านไปชุมนุมที่หน้าที่สนามกีฬาหน้าเมือคนซึ่งมีความคนที่มีความโกดแค้นเนี่ยเขาต้องการระบายเพื่อไประบายที่หน้าสาอร์ไม่ได้ถ้าไม่มีที่ให้ที่ตัดให้เขาระบายพวก็ควรธแต่พวกก็พอจัดสาที่ให้เขไปชุมนุมก็ตรงที่ สางห้รตำรวจถ้ารรุกบอลสานพิลาหน้ามือคนก็ไปที่นั่นได้ระบายความโกรธแต่ว่าเนืยองไม่มีการเชิญหน้ากันความันก็ก็อโอกาสที่จะเจรจาก็หมืนเพราะชั้นความุกขึ้นเนะี่ยก็มีการเจรจาทุกอย่างจบลงในสุดนะอาตมาเนีรียกว่าคือการสร้างเงื่อนไขการขจัดเงื่อนไขความรุแรงคือที่หนเพือที่สองเนี่ยได้กลุ่มคลใคราชุมลุม วนวายตียมันจับมันแต่ครัที่3ไม่ได้ทำอะไรัคนนะฮะแต่ทำกับมือถ่ายแทนจัด ก, การมือน่ายที่ทำให้คนนี้ไม่มาชุมนุมในที่หน้าหน้าสอบอออันนี้เป็นตัวอย่างของกา ร, กรจารัดมือน่ายขอนเทแร์ซึ่งทำให้ก็ได้ผล การเงินางขายคนรุนแรงเนี่ยเราต้องดูว่าในภาคต้เนี่ย ม, มันมีอะไรบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องความรุแนแรงอตาตมาคิดว่านะมันมีเงินขายหลายอย่างมันได้เงิ น, นงขายซึ่งในกรณีเนี่ยบทบทเรียนอย่างกรณีคอมมิสเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวอย่างได้บ้าง น, น ะ, ะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดทีเดสงทางกับคอมิสเนี่ย ยุตได้เพราะคำสั่งของสเป็นปัจจัยหลักคำท่ทรทางเน้ 3, นเรื่องอะไรเน้นเรื่องการจะจัดเื่อ น, นไขนะการกรจัดเงื่อนไขแห่งความรุนแรงอะไรเงื่อนไขความรุนแรงคือความยุติธรรมตอนนี้เวิเคราะห์ว่าเงื่อนไขความรุนแรงที่นาไปสู่การต่อสู้ด้วยกำลังอาธในชนบท น, นี่ก็คือความยุตนนิธรรมาอยุติธรรมมีสองอย่าง ในคำสั่งกระทรวทองมึงการชลอรหนจาหที่2งการเปลี่ยนู่รรัศดรกระทรวงท่าองสใช้กบบรารบมือาใางทหารคือในแต่การตร น, นี้ต่การกับการชลอกานุนของราชการและแต่งการการเป่ยนู่รระะัศดรและเปิดบรรยากาศประชาิปตายขึ้นรวมทั้งเปิดโอกาสให้เขามาร่วมพัฒนาชาติชาติาตบ้านเมืองพัฒนาชาติไทยอย่างสันติวิธี ไม่ใจับเขาแต่ว่าเปิดตัวการให้เข้ามามาต่อสู้อย่างสันติวิธีแต่มาวิจารณ์รัฐบาลก็ได้จะมาต่อต้านรัฐบาลก็ได้จะมาชุมนุมก็ได้แต่ข้อเสียคือว่าอย่าจับอาวุธอย่าใช้ความรุนแรงเพราะชุมนุมหรือการวิจารณ์รัฐบาลก็เป็นสันติวิธีเองก็บอกว่า อย่างที่เราเห็นนะาบ้านมันก็สงบสุไไ์ไปได้เป็น20สปีก็เพเื่อไทยความรุนแรงที่นไปสู่สงครามกบสงครามังความประชาชนเนี่ยมันหมดลงไปสมาชิกว่าในกรณีภาคสากลในควาต้าเนี่ยเราต้องถามให้ได้ว่าอะไรคือเมื่อไทยความรุนแรงมีเหตุการณ์หลายอย่างแต่มีตัวอย่างหน่อสมาชิก่าสาคั ญ, ค, ญคือ ปัญหาความให้เป็นธรรมในกา ร, กา ร, กรกแต่งการทรัพยากรแต่เราพูดเรืร่อแค่นี้นะฮะเราเราพูดกันมามากถึงเรื่องของ เ, เอกลักษณ์เรื่องของชาติพันธ์เรื่องของอะไรต่ออะไรออกมาแต่มีเรื่องนึ่งที่พูดกันน้อยเนี่ยแล้วก็มีอีกเร่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความยากจ น, นเรื่องมาจากการถูกลดระเรียบในทางเศรษฐกิจ ม, มีสถิตีอันนึงที่น่าสนใจนะฮะก็คือว่าเกือบร้อยละ50ของหมู่บ้านที่เป็นคืนที่สีแดงที่ ร, รัฐาบาลประกาศว่าเป็นคืนที่สีแดงเกือบร้อยละห้เกือครึ่งหนึ่งเนี่ยในสัมผัสอิสราเตาเนี่เป็นหมู่บ้านที่มีความขัดแย้งทางสถาบันก่อนเช่นมีการประกาศที่ทำกินทับชทั มีการเปรียบประกาศที่ยังทำที่ตะมีนชาว บ, บ้านหรือมีการใช้ป่วนดูป่วนล่าอย่างมีคนหมายหรือป่วนดูป่วนล่าสคัญยังไงเพราะชาว บ, บ้านส่วนให ญ, ญ่เนี่ยยังชีดได้ด้วยการทำประมงเฉพาะที่ปัตตานีที่เดียวเนี่ยพบ ว, ว่ามีหมู่บ้านสีแดง 70% เพราะว่ามีหมู่บ้านสีแดง 70% ของจำนวหมู่บ้านที่ติดชายฝั่งเฉพาะตัวประ จ, จกกันทีที่เดียวในถาเดือนนะฮะหมู่บ้านติดชายฝั่งนีร้อยหนึ่งเนี่ยสิ 60, เป็นหมู่บ้านที่ทางตละดประการเป็นที่สีนแดงทำไมถึงตืข่ขึ้นตรงนั้นเยอะนะเพราะมันมีความขัดแย้งกันเรื่องการประมงตอนที่จะมาเป็นกรรมการสมานนชนเนี่ยได้มีการศึกษามีการล้องเรียนกัน ในหมู่บ้านที่แถวปัตตานีว่ามีการใช้เรือบ่วนลุกมุรรกมเรื่องนี้เป็นตัญหาทะลาะกัา ม, มาสาสปีนะฮะชาวบ้านเจกระท่วงเมื่อปี4ีหนึ่งที่หน้าสารการปัตต า, านีโดยทานรัฐบาลโดยทากระทรวงกระทรวงเกษตรประรร ก, กาศว่าการใช้ป่วนลุกลุที่กฎหมายที่กฎหมายนะฮะ แต่ปรากว่าเรืออวนมุนาก็ย no ังมายังมายังมายังมาเปรียอยู่ในโดยเชายฝั่งพัทลานีแล้วก็สร้างดเรืออวนมนาที่มันทำลายมันทำลายซักมนลายสรัพยากรมาเพราะนหอนเอาเช็คเตอร์นีกว่ากว่าพื้นที่กว่าแนวกระนงแล้วก็แนวแนปากการัวบานก็ร้องเรียน บอกต ว, ว่าเงียบหายเงียบหายเงียบหายผลก็คือว่าอะไรหนึ่งชาวบ้านสุขภาพไม่ได้ความเป็นธรรมทำไมสิ่งผิกฎหมายเกิดขึ้นในบ้านมน่งที่ไม่มีใครทำอะไรสองทํามากินไม่ได้เขาอยากเก็งเงิ น, นทีวันหนึ่งหาปลาได้แค่สอ0ยบาทบ้านเดียวนะฮครอบครัวเทนั้นสอ0ยบาทอยู่ไม่ได้เขาทำไงเขาก็ไปคิดที่อื่นพัฒนาที จำนวนที่ไ ป, ไ ป, ไปมเเซียแลบ ว, ว่ากาที่มาเลเซียมันความมีอูดกว่าันธ์สสญญาตันใต้ันเนีเป็นเป็นหนึ่งในติดในิัวัดที่กนใก้กัพิประเททจิติ้งก็เลยตรงนี้เขาลองเรียนมาที่กรมก ร, ม ร, กรมการสมาันกรรมการสมานันก็ติดต่อก่อชซึ่งเป็นกรรมการสมาด้วยผู้ประาต่ทเป็นกรรมการ่ ในกอสองติดต่อกับกระทรวงเกษตรผ่านรองนายกต่าง น, นซึ่ ง, งาาในกรรมการสภาได้วยสุดท้ายก็เลยมียเจ้าที่ต่อชะอดและเจ้าที่ทางทา ง, ทางสพยาคาชี่ยวาชยาเนี่ยร่วมกับชาวบ้านไปลากตเวนลากตเวนไม่ให้มีร้อนปูนหรือลา ก, กเกปรากว่าภายในเวลาแค่เดือนเดียวจับปาได้วันนึง 1, ันทาน้อยา จาก200บาทนะฮะในช่วงสิงหากันยานี่ยพอเรือโอลูกเรือลากนิ้หายไปไหนกันเลเนี่ยได้วันละ 1,500 บางรายได้ 4, ถึง 4,000 ชาวบ้านเขารู้สึกยินมแย้มไปเลยขอวัเนี่ยนี่แหละคือคือสิ่งที่เ้าอยากได้นี่แหละคือความเป็นธรรมที่เ้าต้องการมีเกร็ด น, นะครับรากว่าหลาังจากที่ก ร, รเนี่ยไปไปลากตวัวเองจากเรืออลูืาดใหญ่มาได้เอาขึ้นมาใช้ฝ เป็นครางแก้งี่ปีที่จับได้นะเป็นค ร, รั้งก้ิปีจับจับเรือประมงเรือแบบนี้ได้และเก็บไว้ในรุนช่ชายฝังเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยจับได้รดุกนนขึ้นตำรวจป่อยจับได้รดุกนนขึ้นตำรวจปล่อยเป็นนี้ทุกครั้งทาเรื่องขึง้นศาลทาเรื่องขึง้นศาลพรากผลว่าเรือของกลางไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีที่ที่อายการสั่งฟ้อง เรือเรือของกลางหายไปไหนสั่งฟ้องสาลเนี่ยเขาอกว่าของกลางมันหายฮะก็คือเรือซึ่งราคาเป็นล้านหายไปเรือมันหายไปจากไปจากสมุดได้ยังไงทั้งๆที่มันมีอยู่ในบันทึกของของของขอ ง, ของประมงของประมงจังหวัดมีในบันทึกการจับคุมของหน่วยป้องกันและปราบปราม ป, ประมงทะเล มันึกในเงือนอง ก, กันคารำ ร, รงทะเลในวันนีมีมีของกางคือเรือบทีแต่พอสงสารผ่านอุรยานเรือของกลางหายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอัตลชกษเป็นป ก, กติธรรมดาในในสากลยุโรปใต้ดังนี้นะคือเรื่องไทยความเป็นยิธรรมซึ่งเป็นเรื่องไทของามมแรงและถามว่ามันเกิดขึ้นในกิมบบ้านในสากลยุโรปใต้ คือมือคืออรคิดว่าการจัดขึ้นแ่ของตอนอายุทางตรเนี่ยเป็นสิ่งสำคันเมืนั้นไปกับการเอาเอาเจ้าที่ไปไล่ล่าหรือเอาเอาเอารถถังรถถังดีเนี่ยไปไล่ล่าเพื่อกาะความไมสงบเราใช้เวลาเราเสียงบลงมาเราเสียคนไปเยอะการการการไล่ล่าเพื้ก่อความไม่สงบซึ่งจาเป็นนะแต่อีตัวที่มันเป็นแหล่งบ่มเพราะความไม่สงบ ไเได้มนะดังัจากที่เลิอกกอสอใช่ปรากฏว่าปัญหาเรื่องอุุน้วก็ต่าใหม่ต่าใหม่นะไม่ถามวาชาวบ้านนี่เขารู้สิ่งไหนทำไมในทุ น, นทำาอีกฎหมายได้แล้วเาเกิดร้อนที่ตึประตาตัวที่หนทที่ น, นที่นนเิดเห็นผลใไหมท่านที่ทำให้ 60% ของหมู่บ้านริมเทะเล เป็นพื้นที่สินแดนทประมงไม่ได้มันก็เหมือนเป็นเหตุการณ์เดียวกับ ท, ทำไมภาคอีสานเนี่ยทำไมถึงลูกเป็นชายเพราะคอมมิสทำไมภาคอีสานเนีมันเป็นแหล่งฐานที่มั่นของคอมมิวนสความแย่งต่ความไม่เป็นธรรมแต่ตอนที่มันเปลี่ยนมามันเป็นพื้นที่แถวยิแถวยี่สังสินเองงย้นทำไมคิดว่า การแก้ปัญหาการขจัดเงื่อนไขความรุนแรงอันหนึเนี่ยก็คือการจัดการกับความพยิบผยันตอนนี้ชือตรงเนี้ยประเด็นเนี่ยมาคิดว่าดีวเนี่มีคำสั่งของรัฐบาลนละงนามในตอนอสรยุทธ์เรื่องคาสั่งที่2067นะมุ่งจัดการเงื่อนไขความรุนแรงโดยตรงเลย ทักสี่เก้านะเรืองไทยความดุร้ายโดยตรงเรืร่รองไทยความดุรลายทั้งในเรื่องของเรื่องเศรษฐกิจเรืทรัพยากรเรื่องของวัฒนธรรมการศาึกษาศาสนาภาษาเาาชื้อชาติเรื่องไทยของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็เรื่องต่าอันนี้สิ่งเหลนีนะ้คือเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองยุติธรรมและวัฒนธรรมการศาึกษาเป็นเ็นเนรื่องไทย ที่สามารถจะส่งเสริมสันติวิธี ไ, ได้หรือนำไปสู่ความดุร้าก็ได้คำถามคือว่าเราทำอะไรแต่ตรงนีบ้ังนีนะ้แต่ว่าเา็นิพนธ์นะี้นะที่ว่าคำสั่งสองร้ยกทับสินเนี่ยจะมุ่ง ม, มุ่งทิศในการนตรงนี้นละจะมาคว่าตรงนี้เนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องซึ่งซึ่งสำคัญมาก มีคนผู้ไว้น่าสนใจน ะ, ะเป็นเป็นเป็นเป็นครูประชาบาลซึ่งพูกคลีกับปัญหาคอมมิวนิสต์มานะแกเป็นนักเขียนน ะ, ะชื่อคำหมานคนไข้นะแกผู้ไวน่นาสนใจนะฮะนะแกแกพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาความเป็นธรรมแกบอกว่าเนี่ยบนกระาษเนี่ยความเป็นธรรมเนี่ยในสังคมเนี่ยเป็นอาวุธอย่างหนึ่งที่ใช้ปราบคนร้ายได้ สิ่ง น, นี้ราคาถูกประเพืนผ่านหน้าไม้มากและไม่ต้องสัซื้อจากต่างประเทศมันมีในหัวแจงของทุกคนแต่จะมีใครนำออกมาใช้มากน้อยเกียงใดเท่านั้นเองเทียงใดเท่านั้นเองนะตอนนี้เนี่ยถ้าเราแพ้ถ้าเจ้าที่ราแพ้คนแพ้ต ร, ง, รงนี้ก็คือว่าไม่สามารถที่จะใช้ไม่สามารถที่จะเอาความเป็นธรรมในหัวแตงของชาว บ, บ้านเนี่ยมาสส รัฐบาลได้เราไม่สามารถจะเอาความเป็นทางในหัวใจเขาเนี่ยหัวใจชาวบ้านที่มีมาสองร้านคนเราไม่สามารถจะหัวใจเอาความเป็นทางในหัวใจเขาเนี่มาสั่งรัฐบาลแต่เราเปิดช่องให้ผู้ก่อความไม่สมงบเอาหัวใจที่เรามาเป็นทารมองเขาเนี่ยมาสั่ส่ทเขแทนตอนนี้ผู้ก่อความไม่สมงบใช้อย่างนี้นะฮะใช้ความรู้สึกของชาวบ้านที่ไม่เป็นธรรมนี่แหละมาใช้สั่งส่งการต่อสู้ เป็นคำถามด้วยไอ้ความเป็นธรรมใน ห, หัวใจครัเนี่ยเราใช้มามากพอเลี่ยงนะแต่ทำยังไงเราถึงจะทําให้ความเป็นธรรมใน ห, หัวใจครัเนี่ยถานมาเทให้กับรฐัฐบาลนะถานมาเทให้กับเจ้าทีนัดได้ตรงนี้เป็นคําถามนะซึ่งมันต้องแก้ด้วยกันจัดตั้งนิรันไข์ความรุนรงประการสุดท้ายนะฮะอันนี้ธรรมาไม่มีคําตอบนะ การที่ที่ในาลังคือว่าจะต้องหาทางดึงความสับนสนจากประชาชนออกจากผู้ก่อทําไม่สงบไม่ได้ทำยังไงจะทำให้ประชาชนนี้ถอการสั่นสนผู้ก่อควาไม่สงบอย่างที่เราบอกนะว่าอำนานเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากกระบอกปืนฮะอำนามันเกิดจากการที่รัฐตั้ตรนกเชื่อฟังผู้กออควาไม่สงบธนากรนะ ความนากุวของเขา่ไม่ใช่ไม่ใช่ระเบิดไม่ใช่ปืนมากเท่ากับการที่เขาในรัฐการสะสมจาประชาชนที่เราเรียกว่าแนวรัวมนะนี้เราคิดว่าหน่ากลัวกว่าระเบิดมากหนากัวกวปืนเพราะถ้าประชาชนไม่ร่วมมือนะเขาระเบิดได้ไม่นานถ้าประชาชนไม่ร่วมมือเขานะเขาระเบิดไดไป่นานเขายิงปืนยิงคนได้ไม่นานก็ต้องก หรัอที่พอกทรท้อนในหลายที่เนี่ยแต่ก็ประชาชนไม่เอาด้วยก็แตกนะเมื่อกรุงคิงไม่ว่าที่ที่ไหนแน่นอนใช้กาลังาหารเขไปด้วยแต่ว่าประชาชนก็ไม่เอาด้วยไม่ทางไหนเนี่ยความคิดว่าเราจะทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะถอนความร่วมมือออกจากผู้ก่อความไม่สมุบได้ ตรงที่ตงใช้สันติวิธีอย่างเดียวแล้วถ้าทาได้นะียผู้ก่อความไม่สงบก็จะก็จแตัวรีบองม้ น, นไม้ที่มีมีน้ำต้นมไม้เมืมีน้ำก็จค่อยๆเรียวลเรียนนั้งอาจจะยืนป็้องตายก็ได้เหมือนตอนที่ผู้ก่อพวกพวกพวกการแบบแย้ดิแดนย20ปีก่อนพอเ็ไม่ได้ความนสมนใจประชาชนเหมนพวกโจนกีคอมมิวนิสต์าไ่ด้คาสประชาชน ในพื้นที่เขาก็อยู่ไม่ได้แต่สมาช่ว่ตรงเนี้ยเป็นเป็นเป็นตรงเนี้ยสมาธิไม่ดีต่อแต่สมาซาบเท่าที่ทราบมันก็มองว่าประชาชนาเนินบ้างถึงก็ไม่เอาก็เริ่มไม่เอาผู้ขอความไม่สมบแล้วเขาจะ้ความแรงมากยิ่งผู้ขอความไม่สมเป็นค่าที่ค่าน้องเป็นค่าได้เขาจนถ้าเขาเนี้ยก็เริ่มจะเริ่มจะเช็คบิน กับพวาะไมสนุกยกเว้นพวกเกาะเกาะเขาไมสนุกบางคนก็อยู่ไม่ได้ในพื้นที่นะที่ทราบมานั่นทำไมเราจึงใช้ช่วงเวลาตรนี้ที่ทําให้ขประชาชนเนี่ยเร่งมือในการที่จะไม่เอาคนเหล่านี้เช่นทําให้เขาเห็นว่าคนเหล่านี้ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามจริงๆไม่ได้เป็นตัวแทนศาสนาอิสลามจริงๆไม่ได้ทําเพื่อเขาจริงๆตรงนี้เนี่ย มัน็เหมือนสัตว์ที่วิรด้วยนะมันไม่ใช่การใช้อนะไสุดท้ายน ะ, ะเดี๋ยวทำไมาจะพูดสรุปสั้นๆนะปัจจัยความสาเร็จนะอวิธถีถ้ามันจะสาเร็จนะรวนทั้งใ น, ใ น, ในกรณีภาคใต้เนี้ตาายตอนี้คิดว่ามีอยู่ใหจมสามส่เรื่องอันที่หคือทนะักษะก็ติดต่อประชาชนนะทานท่านต่อประชาชนรผู้ชม มันจะสังเกตุวิทยสมัยนี้ในต้องไม่ไม่ใช่มองผู้ลายไม่ใช่มองผู้ชุมนุมหรือประชาชนเราก็เป็นผู้รายหรืออุปก่อนแต่ต้องมองเ่าเป็นผู้เดือดร้อนนะเป็นผู้เดือด้อนแล้เพำ่มถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยกับคนที่มาชุมนุมในหลายๆในหท้องที่เนี่ยาคิดว่าท่าทีจนุ่มนวลมากขึ้นเดียไปมองว่าพวกนี้ถูกจ้างไปมองว่าผู้ที่ถูกซื้อหรือเป็นผู้ที่ถูกล่อลวงหลอกลวงนะ แต่ทั้อก็เป็นผูือร้อนซึ่งมีความเดือดร้อนเป็นตุ้มนะเมีความเดอรอนเป็นตุ้มเขาต้องเข้ามาเข็อาถูกหลอกก็ามีมากแต่ว่าความเดือดร้อนเป็นปัจพื้นฐานการสรางปุญโฉสองสามสำเร็จได้ก็เพราะว่าเปลี่ยนมุมมองเนี่ยเปลี่ยนมุมมองขอ่กาคอนี่แต่ก่อนเรื่อผู้ก่อะไรผู้ก่อการคอมมินสเปลี่ยนมุมมองเขาเนี่ยจากการเป็นศัตรูต่างชาติให้เป็นเพื่อรชาติปุญโองสาเปลี่ยนตรงนี้นะฮะเปลี่ยนมุมมองส้ใหม่ว่า คนเนีไม่ใช่ศัตรูต่างชาติแต่เป็นเพื่อนร่วมชาติตอนนี้เนี่ยนอกจาไม่้องจา ก, จา ก, จากไม่มองเขาเป็นผู้ล่ายแลเนี่ยก็พยายามไม่ใช้คนรุแรงรอยู่แล้วก็สทธิ์ทิ้เขาที่สคัญนะฮะรัฐบาลตถึงตอนที่มีการระท้วงเรื่องทอกรารมีทอการาสที่ตาต้านที่แานการจุนเวทท่วงและเรปนสามี่สมกา ร, รจุนเวททที่ขนาดใหญ่ที่สคั มีความพยายามแบบหน้าตาเมืองที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยให้ให้เจ้าที่บ้านเมืองเนี่ยคือผู้ว่าเนี่ยประกาศบทรายการสืบประกาศฉุกเฉิพราถ้าว่าสุนตอนนั้นเนี่ยท่านู้นาสนใจท่าไม่อยกประกาศข้ฉุกเชินเพราะถ้าประกาศกเฉินเนี่ยมันก็จะจะเร่งงานผู้กระท้วสอบการเส็จร่งงานถ้าให้เหตผลนี่ว่าผมเป็นพ่อเมืองนไม่อยากยืดเิงให้ลูกคนเล่นให้มัน่า ผมเป็นข่อมือนไม่อยากยืมีวทีคนระเล่นเงิค่าก็เลยไ้ประกาศว่าเฉยๆนี่คือสั้นๆตริกที่มองผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้เลวร้ายผู้กกับสงสาอสงสารัหมือนกันบอกว่าตำรวเนี่ยเวลาไปตอนตอนเสในสุสไปไปโนุมความสงบเนี่ยท่านบอกผู้บอกตนรวจว่าจะ่พบปืเข้าไปเราจะไม่ออกอะไร ไนะ่บอกว่าให้ตารวจทำใจให้ตำรวจยอมยอมเจ็เพราะถ้าตำรวจไม่ยอมเจ็ประชาช่วจะเจ็ตให้ให้ให้ตำรวจยอมเสียสละถ้า <c oughs> ตำรวจเระนัน้นไม่มเกิดปัญหาขึ้นมานายวิทยาจินที่เป็นขอความหน่วยเฉพาะกิจท่านหนึ่งนะาได้พูดถึ ง, งท่านเท่านี่ยในการทางนานกับชาวบ้านซึ่งทาให้ชาวบ้านเนี่ย ให้ความสึกที่ดีต่อต่อนายยอมากท่านผู้อ่านนี้ครับที่เขียนในกระดาษหนึ่งน้าที่ย่องจากแค่ที่ถ้าไปตดนผู้ก่อความไม่สงบ ต, ต่อกันนะผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยซึ่งเขาก็มีสังคมมีญาติพี่น้องมีครอบครัวที่ต้องเสียใจเช่นเดียวกันนี่ถ้าไปโดนเขาเนี่ยก็จะมีศัตรูเยอะตามมาแต่ถ้าเขาหลดทันและบังคับไปโดน ป, ดประชาชนผู้บริสุทธิ์ก็จะการเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงมาก จะเกิดเป็นเงื่อนไขพันกันตามมายอยีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการยิงปืนแต่ละไนของของส อ, อ, อ, อยอนี่เหมือนนี้นี่ต้องเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องทิที่ทนา ม, มาเพราะฉะนั้น ท, าท่าอแยมใช้ส i ิติอาจามาช่วยนีส้ษษษษษที่สำคัญในการจัดการกับผู้ชุมนุมนะและประการต่อมานะฮะก็คือการ ความเห็นใจกับประชาชนทำไมตึงให้ประชาชนเห็นใจเราละการเห็นใจส่วนต้องยอมรับนะอันนี้อาจจะเป็นเรองที่จวดเหมือนกันความเห็นใจส่วนก็เพราะว่าเจ้าที่ทําลายเมื่อใดก็ตามที่เจ้าทีสงทำลายเนี่ยเราจบว่าชาบ้านเห็นใจออกมาีคุณยูหกรณีนายนวเยจิเนนมมีมอคน น่าึกน่าจุดเลี่ยนสำคักันนะฮะอยจากที่เราที่เราเพิ่งพูดนึงกรณีตัดไปแล้พอเกิดกรณีสัญญาณลนี่ยหกเกณฑ์จริง2ครั้งอคนเสียชหลายคนตันนีตันนีนอยว่าทำไมปล่อยให้สองคนนั้นตายทำไไม่เปไม่ปชาร์จเพื่อเอาเอาเตัวเข้มาแต่ทุกข่ามถ้าได้2อคนนั้นาแต่คนกจอดบ้านตายจะเกิอะไรขึ้นมันเป็นเยากยิ่งกว่าตอนที่ตารวจ ไปไปทุกทีผู้ชมุนหาสภาหน้าร ง, งนี้บวลาครั้งแต่จับก็ได้เยอะแต่ว่าเสียคดแต่การที่เราอยอบนั้นเสียชีิตไปมันทาให้ชาวบ้านเห็นใจรัฐบาลมากขึ้นชาว้านหใจเจ้าที่การมากขึ้นอันนี้เนี่ยมันคือจะเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องสาคัญ ก, กันที่บางครั้งเนี่ยการยอมเจตของเจ้าที่เนี่ย มันคือชัยชนะของของบ้านเราเนื่องาที่ผู้ผู้ใช้สัญญวิธีในฝ่ประชาชนได้ยอมให้รัฐบาลยอาให้เจ้าที่ทุกตีเับเพราะยิ่งทุบตีกิ่งเจ้าที่ทุบตีประชาชนมัท่าไรเจ้าที่รัฐก็ยิ่งเสกเกราะเ่าตัวอย่างที่ามามทรัฐบามนยยิ่งรัฐบาลใช้กำลังกัประชาชนรัฐบาล ย, ยิ่งเสกเกราแต่ในทางเด้ยวกาผู้ก่อความไมสงบใช้ความนแรงเจ้าที่รัฐอย่างไม่ยมให ก็จะส่เสียงฟังฟังยอมรับไปเรื่ อ, อยๆเฉ่างไปอูเอซก็ไม่เอาเขา้าประเทศเสล์กิสรา่ก็ไม่เอาเขา้าเพาเห็นว่ามันป่าเถืนิไปการไม่ตอกต้มไปเจความรุแรงสาคัญเหมือนกันนะไม่ตอกต้มไปเจอความรุนแรงอันนี้คอแต่งความเฉยเมยสันติวิธีสันติวิธีนักประชาชมายามก็สาเร็ุได้ก็เขาไม่ตอกต้มเมืเ่จอความรุนแรงจากาคเ แต่ น, อน้อตรองคิดว่าในางเจ้าที่ภาครัฐ ก, ก็ประสบควาสำรประสบคามส์เสืส้อหมนกันนะว่าเจอคนแร ง, งไม่ตอบโต้ไม่ตอบโตงอย่างเกินเหตุนะแล้วก็ความเป็นิธ้ท้าที่น้องมุงมือก็สำคัญ ก, กันแต่ทั้งหมดนี้สุดท้ายที่เข้ามาอยู่ที่เรื่องการจัด ก, การกับเงื่อนไ ค, ความรุนแรง ที่อาจารย์เล่น เ, เรื่อยก็อาาพูดมาบ้าแต่ว่าที่จริงอยากจะมีเวลาเวลาสักถามเพราะว่าตอนที่อาอจาะคุยกันเองก่อนนะฮะอาจาอยากให้ลองลองคุยกันเองสักหน่อยนะแล้วอยากจะมีการสักถามกันต่อไปนี่จะแบ่งจะแบ่งกลุ่มย่อยนะเชิญ